ขึ้นเป็นลําดับแต่พันก็ยังไม่ถือว่ายังมีเมืม่อยๆตัวว่าก็เป็นธรรมดาบางีก็ยังรู้สึกเพียงไม่อยากจะตื่นเหมือนกับอ๋อใช่เป็นอาการที่เพียงแค่เ้าสงบลงจากสิ่งที่เราทำเพราะสิ่งที่เราทํามันยังไม่เกิดกําลังในการขับดันสิ่งเหล่านี้ออกไปจริงๆมันล้างยังไม่หมดมันต้องทําให้ถึงขั้นที่เรียลเกิดกำลังในการขับดันออกไป ต้องทำแบบแต่ก็เงียบไปแล้วนะถ้าเป็นตอนแรกที่ย้ายบ้านไปใหม่คืเห็นเลยเห็นในแววตาเห็นเหลือกไม่ได้หลับสมาจะให้ส่วนมากสมาจะเน้นการให้ระลึกถึงพระราธนไตยใช่ไหมครับเป็นสําคัญตัวเนี้ยสําคัญมากครับเพราะถ้าเราอธิษฐานพระราชนไตยเข้ามาสู่ภาวะเห็นจิตในตัวเราแล้วเนี่ยมันจะตัดการเชื่อมโยงของจิตที่จะสืบเนื่องเข้ามาหาเรา จากภายนอกมันมีทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีทีนี้ถ้าเราไม่มีพระรัตนตาภายใน จ, ใจิตใจสิ่งที่จะคอยเชื่อมโยงเข้ามาหาจิตเราเนี่ยสิ่งไม่ดีมันมากกว่าที่จะเชื่อมโยงเข้ามาทีนี้พระรัตนตรัยเป็นเครื่องรองรับจิตใจที่เราอธิษฐานจนสามารถความรู้สึกในกจิตกับคาว่าพร ะ, พระตัตนตไตเนี่ยหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั่นแหละคือการที่เราสามารถ ตัดกระแสสิ่งชั่วร้ายออกไปจากจิตใจได้มันก็ต้องก็เกิดผลเนี่ยมันก็ต้องไม่มีเข้ามาเชื่อมโยงกับจิตเพราะจิตเราไม่ใช่เพียงแค่อยู่กับเราเท่านั้นนะมันเชื่อมโยงต่อสิ่งต่างๆด้วหมดเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งเข้าไปหาใจได้ไหยครับส่งเข้าไปหาใจทีนี้ภาวะภายนอกแม้ไม่ได้ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายผ่านเข้าไปใจได้ สภ า, ภ, าภาพภายนอกพวกกลุ่มดวงวิญญาณสิ่งชั่วร้ายอะไรต่างๆนาน า, นานซึ่งไม่อยู่ที่บางคนเนี่ยรไม่รู้สาเหตุของความเป็นไปอยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องส่งผลกระทบในดวงจิต ด, ดวงวิญญาณเราไปถูกแดดเราร้อนทั้งๆที่เราบอกเราไม่ร้อนได้ไม่ได้เราไปอยู่กับแดดเราเข้ามาในที่ร่มเราก็เย็น <c oughs> มันก็คือสิ่งหนึ่งทิ่สะท้อนผ่านเข้ามาเชื่อมโยงกับตัวเรา เพราะฉะนั้นกายกับจิตเป็นที่ตั้งของการเชื่อมโยงต่อสิ่งภายนอกเข้ามาสู่ภายในจากสิ่งภายนอกสามารถเข้ามาอยู่ภายในได้ก็คือเกิดการเชื่อมโยงกันตัวเชื่อมโยงเรียกว่าอายทานะอายทนะเป็นตัวเชื่อมโยงคุยว่าจึงทราบกระแสเหล่อนีมน้มันมีอยู่ที่จะสามารถส่งผลต่อจิตใจของเราได้พงอยู่บอกว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้น สติเต่สร้างนิวาลนั้นสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเพราะฉะนั้นเรามีการระลึกถึงพระตัณฑาใยก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติใช่ไหมที่ผูอื่นหลวพ่อเจ้าไม่มีพุที่เจ้าไม็นเพื่อนบุญของพระเจ้าระลึกถึงบ่อยบ่อยยิ่งถ้าเกิดกำลังขึ้นมาลองรับจิตจนเราสามารถเห็นสร้างรับรู้และสัมผัสกับพลังแห่งรัณฑาใยนั้นได้จริงๆอันนั้นแหละ เรายิ่งจะประจัดชัดว่ามันกั้นสิ่งชั่วร้ายแล้วก็จะมันจะผักสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตเราท่านีน้และคือตอนนี้เวลาพูดเนี่ยเรื่องของอานาจทุกสงมันถึงว่าเราเหมือนกับระลึกอยู่เสมอแต่ทีนี้มันมีตัวบอกไว้ใพอาจารย์ว่าไอ้สิ่งที่เรากลำลังคิดอยู่เนี่ย มันเป็นหนทางการรู้ถึงพระราจอย่งถูกต้องเพราะปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไม่ไ ด, ได้คือไม่ได้รับทรัพย์สินคือสิ่งอะไรปกติแต่ว่าเราเรื่องถิง่นที่สมบว่าเราจะไม่ฆ่าสัพว์นะไม่รับทรัพย์นะไม่ฝึกทางกายไม่ดื่มสุราไม่ไรไม่รับรขโมยอเสมอมพร้อมกับคู่ครอบครัวปกติอั<ม>นนี้ทุกอย่างเวลาทำงา น, นก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเรื่อยๆนี่เวลาเข้าบ้านก ป, กปกติเราก็คุยกันปกติแต่ทีนี้ เวลาเราลึกถึงเรื่องของผู้่ดำสงที่ดีขึ้นลึกถึงในใจเป็นที่พุ่งตลอดเวลาเนี่ยมันมีแนวไหมพระอาจารย์ว่าแบบเนี้ยลักษณะแบบนี้หรือว่ามันมีวิธีการหรือว่าที่บอกในใจว่าตอนเนี้ยเราเริ่มลึกถึงคู่ดำสงเป็นที่พึ่งอยู่แล้วมันเหมือนกับว่าปุ๊บยู่ในใจปุ๊บมันเหมือนปิ้งแว๊บแบบพระอาจารย์ปิ้งคืจะ ไ, ได้ว่าอ๊กอันเนี้ยเรามาถูกทางแล้วนะ ลุกและลุกถึงอยู่เสมอแล้วขนาดสัญญาณบอกใช่มันรับทราบขึ้นมาภายในจิตอยู่ตลอดเวลาไหมตลอดเวลาและเราก็สามารถรับทราบได้ทุกๆขนาดก็ก็ถูกแล้วก็ใช่แล้วใช่แลอำนาจหน้าใจสามารถแก้ไขสิ่ง สิ่งที่มุ่งมุ่งร้ายประสงค์ล้ายหรือว่าดวงจิตดวงใจที่พยายามจะแทรกหรือกอบวนได้ในี้รวมทรงตัดได้เอง <Okay. S 1> แต่อย่างเดียวที่ป ร, ราตนาใจเปลี่ยนไม่ได้คือเปลี่ยนกดของกรรมไม่ได้กรรมกรมก ร, ม ก, รมก็ต้องเป็นไ ป, นปนตามกรรม กรรมดีก็คือกรรมดีใช่ใชกรรมชั่วคือกรรมชั่วคือกรรมชั่วเป็นอย่างนั้นเราจะได้รับผลจากกรรมรัตนาันท์ไต่ก็แก้ไขให้ไม่ได้แต่บันเทาได้แต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมที่จะเกิดกับเราไม่ได้นนแแก้ไขได้คนท่า น, นี้คนกับดวงวิญอยู่ด้วยกันก็ต้องศึกษาเหมือนกันมันมันหรือว่าบางบางจำพวกมันไม่สามารถยอมรับ การเรียนรู้ได้เลยเราอย่าไปเสียเวลาอัตมาคเคยเสียเวลากับพวกนี้แล้วไม่ได้ประโยชน์แต่ฝึกตัวเราให้ก้าวออกทางจากสิ่งพวกนี้มันมันจะมันจะห่างออกไปเองอัตโนมัติ<ม>คือมิติมันจะแยกออกไปโดยไม่ใกล้ใกล้กับเราแต่ถ้าหากจิตเราใกล้เคียงกับเขามันก็จะดึงเข้ามาอยู่ด้วยกันได้แต่เมื่อเราจิตมีรัตนตาใสูงขึ้นปับ๊บ อันนั้นจะถ่างออกไปเองอัตโนมัติหรือมีอะไรบางอย่างที่มุ่งประสงค์จะก่อควรและทำร้ายบีบคั้นมันก็จะมาถึงตัวเราได้แค่พอให้รับทราบว่ามีสักพักมันก็จะคายออกไปเองอัตโนมัติทั้งๆที่เรารู้สึกได้ปั๊บก็พละตานตามใอยู่ในใจแล้วใช่ไหมล่ะครับและแค่เรารึกถึงว่า ที่อื่นของพระเจ้าไม่มีพระผู้ได้เจ้าไปทุกพึงประเสริฐของพระเจ้ามันก็ไปเนี่มันมันไม่สามารถทําอะไรอะไรเล ย, เลยมาสัมผัสก็ให้รับทราบสภาพวิกฤตมันรวดเร็วอยู่นะมันเคยนักษัะเคยมีแบบเหมือนกับมันมีก้อนมันมีเหมือนกับอะไรมันผ่านผ่านในลำตัวไปเหมือนกับใหญ่ใหญ่เป็นโพผู้ผ่านไปเฉยเฉยผ่านนะใหญ่ ใ, ญใช่ไม่ตกค้าง ไม่ตกไม่ไมตกค้งไม่แฝงไม่ไม่ไมคอยก่อกวรอยู่ภายในอย่ก็มันคือคือนั่นคืออำ น, นาจพระราชนาฏจะจะแก้ไขให้ในธรองเเพราะสิ่งที่อาตมาประสบหรือลูกศิษย์ทั้งหลายที่เข้าไปใช้เขาก็ประสบอย่างนี้แต่ก่อนไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่ก่อนโหแฝงอยู่ในตัว mm hmm. ก่อกวรบีบขั้นตั้งนุ่ตั้งนานแต่พอมาใช้อำนาจปรร า, นาตนายในการระลึกถึงอยู่สม่ำเสมอ แ้วเกิดอนุภาพในการมองรับมันก็คล า, ายไมได้มันมีอยู่วลีหนึ่งในส่วนของพระไตรปิฎกที่ว่ า, าผู้ที่นับถือผู้ธสิทธิ์อยู่ตลอดเลาเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำแน่นอนไม่ตกต่ํำอันนั้นยืนยันเคยอ่านอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าสุปภ菩萨ที่เป็นโรคเรือนอที่ว่า มองอยู่กยไกลไกแต่ว่าเขารู้สึกว่าพระเจ้าเขามองเขาองเดียวคนเดียวใช่เขารู้กว่าเขาก็มีความรูใจว่านี่แหละฉัได้ถือพระธตรงน่วนะแล้วตอนนี้เนี่ยผมคุยกับภรรยาว่าไอ้เรื่องบทนี้น่าอ่าเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเวลาทำอะไรต่างๆเนี่ยการที่จะถือพร้ธมรมู้นร่ด้มันยากยากเข้าถึงยากจริงๆมันไม่ยากนะถ้าเราถูกทําความเข้าใจให้ถูกต้องมาตั้งแต่แรก มันจะไม่ยากเลยมันคือตั้งแก่ใชใช่ถ้าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ใช่ไหมจริงจริงวันไม่เต้เนี่นะเราไม่ได้ถูกทำให้ทำความพอใจพระราชาใจที่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกมันเลยกลายเป็นยากไงยากก็เลยดึงปตกใช่แั่เงี่ยอยากเลื่อนแตกเราเป็นบ้าหรือเปล่าคือยึดถึงไปอันนี้ในส่วนของวลีนั้นเนี่ยพาอิน เขาก็เลยมาทดลองใจเนี่ยเราจะบรรดาให้ท่านนะเนี่ยหายเป็นหนุ่มหล่อมากมีทรัพย์สินเยอะแยะมากทีิ่งจะกล่าวว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพระธรรมไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงแค่นี้แหละใช่ไหมแค่ได้เดี๋ยวท่านได้เลยเดี๋ยวจ้าจับให้ประมาณนั้นเขาไม่เอาเขาด่าไม่จรินะเขาเดาว่าคุณเป็นคนเลวคุณเป็นคนที่หาอะไรไม่ได้เลย เนี่ยเราเนี่ยีอะไรนะเป็นผู้มีอัญเชรัเ้ก็ถือเท้าชี้หน้าด่าด้วยท่านเป็นใครช่างไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ไปอยู่ที่ไหนมาอะไรประเภทนี้อเซอร์ว่านั้นก็บอกเราคือพระอินนะโอ้โหเป็นองค์อินแท้ๆไม่รู้จักคุณของพระราชนตรหลีทางเราเน่ยเราจะไปเข้าพระพุทธเจ้าไม่ละไอ ทรัพย์สินเงินทองเต็มลำเล่นเฟือนก็ไม่สนใจเลยจะไปไหนก็ไปไม่ได้คนยากจนเห็นใจนะเห็นเขาแบบนี้เพือ่อนๆ เ, เป็นสมบัติอันประเสริฐคือพระราชนาฏไตเป็นสมบัติอันประเสริฐแล้วมีอยู่พันล้านแสนล้านก็ปิดทางอบายภูมิให้ไมได้ถ้าไม่มีพระราชนาฏไคตเห็นไหม เป็นอย่างนั้นเาสนาใช่เป็นอย่างนั้นมันเด่นตรงเลยมันถูกต้องแล้วคือเพื่อศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่จะอยู่ได้เหมือนกับศาสนาอื่นพ่อไม่ใช่ศาสนาแห่งความงมงายเราต้องเข้าใจว่าวิถีชีวิตของคนมันอยู่ความงมงายอยู่โดยปกติอะไรก็ตามที่เป็นความงมงายมันจะเข้ากันได้กับจิตใจของมนุษย์และมนุษย์ที่มีความงมงายแล้วจะมีความมั่งง่ายอยู่ภายในตัวเองความเชื่อว่าอย่างนั้นความเข้าใจว่าอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้น ร้วแล่แต่ตื่นนึกและคิดเอาหากมันถูกและเข้ากันกับความเหน็นของตนเข้ากับความเหน็นของคนอื่นๆหรื อ, อสังคมส่วนใหญ่เขาก็ยึดถือหนักตานั้นความเป็นพูดศาสนาเนี่ยมีไว้สำหรับบุคคลผู้มีดวงตาหรือมีปัญญาเท่านั้นทีนี้ความมีปัญญาของคนมันก็จะมีได้เฉพาะคนที่จะสามารถเข้าใจได้คนมีตาถึงจะมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงได คนไม่มีตามันก็แค่คิดนึกเดารูกๆคํำๆเอาว่าอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้ถูกสอนมาว่าอันนี้ลักษณะอย่างนี้ควรกับเราเขาสอนมาอย่างนั้นพอสัมผัสแล้วเข้าใจในสิ่งตัวเองไปสัมผัสว่ามาันควรก็เข้าใจว่าควรแต่ผู้มีตาเนี่ยเห็นแล้วบอกวอันนี้ยไม่ถูกต้องอะไรเขาเนี่ยเขาเขาก็ไม่ยึดถือทีนี้คนที่มีปัญญาอย่างเนี้ย มันจะมีช่วงการระยะเวลาของบุคคลผู้มีบุญที่เกิดร่วมกับพุทธเจ้าช่วงระยะเวลานั้นพอหลอังจากนั้นมาก็ก็ไม่ไม่นะมันก็น่นยกพระเจ้าอาโศก ค, คือหลังจากรวมพุทธปฏิพันธพสามร้อยปีก็มีพระเจ้าอาโศก ข, ขึ้นมาถึงจะมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอีกทีหนึ่ง ค, คือมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วศาสนาพุทธ ไม่ได้อยู่ตลอดไปเพราะไม่ใช่ศาสนาความงม ง, งายแต่สิ่งที่อยู่ยืนในโลกตลอดไปได้อย่างยั่งยืนก็คือศาสนาแห่งความงม ง, งายอยู่คู่กับโลกเนี่ยอยู่คู่กับโลกเลยมันง่ายต่อการเข้าถึงใช่มันง่ายต่อการเข้าถึงถูกต<น>อ้อมวันทุกวันนี้เรากปเห็นอยู่แล้วนี่น้องจะแซ่เข้ามาในคุทศาสนาโดยที่ทําให้ลืมหลักเดิมแห่งความเป็นศาสนาแห่งปัญญาแล้วก็หลุอยู่แต่การ คนเราพร้อมจะเชื่ออะไรก็ได้ที่คิดว่าตัวเองพึ่งได้อย่างนั้นนะคะมันถูกสอนมาอย่างนั้นไม่ใช่ไหมแล้วก็ภาพในสังคมก็ทําให้เขาเห็นอย่างนั้น<ช>ถูกรับรู้รับทราบอย่างนั้น<ช>ก็ต้องยึดถือตามเพราะมีให้เห็นมไ เพราะนั้นมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเป็นเรื่องธรรมดาของความงมงายที่มันต้องมีอยู่เป็นเรื่องปกติเขาบอางมงายนี้ไม่ใช่เป็นคําดูถูกนะั่นแต่ว่ามันเป็นคําของสามั ญ, ญลักษณะของธุรกิจรวมกัทั่วๆไปเพราะมันมีความไม่รู้อยู่ภายใ น, ในความไม่รู้ก็ก่อให้เกิดความงมงายคือเป็นลักษณะแห่งสามัญยากของคนที่ยังไม่เกิดปัญญาดูแจ้งก็ต้องงม ง, งายไปเป็นวิถีชีวิตของ คนที่อยู่ในวตัตฏะแล้วก็สื่อต่อวัฏฏะคือเขาเกิดมาเพื่อจะสื่ต่อวัฏฏะมันแตกต่างกับคนที่อยกเกิดมาเพื่อจะหนีออกจากวัตฏะหรือทำลายวาัฏตะแต่พระเจ้าบอกว่าแม้บุคคลผู้เกิดมาเพื่อจะสื่อต่อวัฏฏะต้อควรจะมีพระรัตนไตัยที่สมบูรณ์เพราะพระรัตนตยที่สมบูรณ์จะทําให้เขาอยู่ในวัฏฏะแบบไม่ไปสูุ่กคติอันนี้คือสิ่งที่บงทรงตรัสรู้แล้วแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าพระรัตนไตยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้ยึดถือเนี่ย มันก็คือศาสดาคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์พยายามจะบอกให้พุ้ศทธาวกมานับถือตัวเองอย่างเงี้ยมันจะไปแตกต่างกับการนับถือพระเจ้าที่ไหนหรอกก็เชื่อมันกันใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมแล้วการนับถือพระเจ้ามันพิเศษตรงตรงไหนนับถือว่าทํามันพิเศษตรงไหนนับถือพระสงค์มันพิเศษตรงไหนเห็นไหมเพราะบอกเพียงแค่ว่าให้นับถือให้ยึดถือบอกว่าจะไม่ตกต่างเอาแล้วก็มีคนมาบัญญัติบอกว่า นับถือพระเจ้าก็ไม่ตกต่างเข้าไปอยู่กับพระเจ้ามันก็คือนับถือเหมือนกันพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่หลักคําสอนแต่ทีนี้พวกเราไม่ได้สามารถนับถือาศาสนาทางด้านหลักคําสอนนี่มันเลยเกิดปัญหาที่เราไม่สามารถรักษาพุทธศาสนาไว้ให้มันถูกต้องเพราะพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองไหนเวลาผู้องค์ไปแสดงคำพระองค์ก็สอนให้เขาได้เข้าใจ ในเรื่องน้แห่งธรรมเขาจึงปฏิญาณตนเองว่าเป็นผู้นับถือแต่พวกเราโอขึ้นมายังไม่ได้ฟังธรรมอะมากเลยยังไม่รู้เลยอะไรอะไรเป็นอะไรก็นับโมตัสสากันตั้งแต่เด็กแล้วพุทธังสรางคาฉามีกันตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ไม่รู้ความหมายด้วยนับโมตัสสวก็สวดอินิพยโศกันตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่รู้ภาษาอะไรเนี่ยไม่ลังเพิ่งจะรู้ได้ไหม่ไม่นานเลยไมเรีนไม่หลังนั่นก็คือปัญหาจะได้แล้ว เราต้องมองให้ออกว่าชั้นของการนับถือศาสนาเพียงแค่เชื่อในรัตนไตายนั้นไม่ได้มีคุณค่าแตกต่างจากการนับถือพระเจ้าเพราะคนที่จะรู้และนับถือพระรัตนไตยโดยความศรัทธาที่แท้จริงต้องรู้จักคําสอนรู้จักพระรัตนไตยจากคําสอนเท่านั้นไม่ใช่จากพิธีกรรม ถ้าเรารู้จก tacos, high, you know, ักพระรัตนาจักรพิธีกรมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าน่ยก็เหมือนกับพระเหมือนกับคลิปเหมือนกับอิสลามเหมือนอย่างนั้นเพราะพราะทศอ์เป็นผู้ปฏิพันธ์แล้วก็ถ้าจะพูดถึงก็อยู่ในสถานะของผู้ไม่มีตัวตนน่ะใช่ไหมล่ะไม่มีตัวตนอยู่ในสถานะพระเจ้าเราพูดได้ง่ายเขเป็นพระเจ้าไปองค์หนึ่งน่ะแล้วเขาก็จับไปเป็นพุทธามตานในฮินดูอีกเห็นไหมล่ะ เพราะนั้นถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาโดยรู้จักคําสอนเนี่ยมันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงให้เข้าใจการปฏิบัติผิดของกิจทางศาสนาเลยว่าเราจะปฏิบัติกิจทางศาสนาให้ถูกต้องได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้เราเข้าใจผิดและปฏิบัติผิดในกิจทางศาสนากันมากสวดกันร้อยจบทันจบทำม า, ำมาจักกับประวณสูตรเอาไว้สวดหรือเอาไว้เรียนรู้ ก็เห็นสวดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเอาไว้เรียนรู้เรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งทางปัญญาใช่เพราะฉะนั้นทำมาจากกรรมวิสูตรเป็นบทสอนธรรมไม่ใช่บทสวดบทที่พระเจ้านํามาสอนและเป็นปฐมเทศนาที่สามารถทําลายทิฏฐิอันเป็นความหลวงผิดในการทิบมั่นถือมั่นให้เข้าสู่หลักอริยสัจซึ่งเป็นใจความแท้ๆเขาจะบอกหัวใจของพุทธศาสนาคืออริยสัจมันใช่เลยใครจะบอกว่าอย่างอื่นเป็นหัวใจยังไม่ใช่ หัวใจของพุทธศาสนาคืออริยสัจสีเพราะอะไรเพราะมีคํากล่าวไว้ว่าบรรดาลอยเท้าทั้งหมดเนี่ยของลอยเท้าสังนีนะรวมลงรอยเท้าช้างบรรดาทำทั้งหมดรวมลงอยู่ที่อริยสัจสี่ใช่ทุกสมขุไทยนี้ลดมากมันมีคำหนึ่งว่าทุกทุกก็คือที่เรเห็นอยู่แต่เนี้ย ทุกสมุทัยสมุทัยคือเข้าไปเข้าไปละเหตุประเหต์นะฮคือเข้าไปละไม่ใช่ว่าไปรู้ปัญหารู้เหตุให้เกิดปัญหารู้การดับของปัญหาก่อนและรู้ว่าทางที่จะเข้าไปดับปัญหาดับยังไงเมื่อรู้ว่าทางที่จะเข้าไปดับปัญหาดับยังไงก็ปฏิบัติต่อปัญหาว่าปัญหานี้ควรกําหนดรู้เหตุให้เกิดปัญหาควรละการดับไปของปัญหาคุณทำไงแจ้และเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ รู้ปัญหาแล้วยอมรับและเหตุแห่งิให้เกิดปัญหาแล้วละให้เด็ดขาดแล้วก็ความดับของปัญหาทำให้แจ้งอยู่บ่อยๆให้เห็นอยู่บ่อยๆให้เกิดรับรู้รับทราบต่อจิตอยู่บ่อยๆและการปฏิบัติเพื่อที่จะดับปัญหานี้ให้ทำโดยการเวียนรอบรอบรู้อย่างนี้จึงเกิดมีปัญญาคําว่ารอบรู้คือเวียนรอบอย่างนี้ การรอบรู้ในอริยสัจสี่อย่างเนี้ยเพราะฉนั้นวิถีชีวิตของชาวพุทธจะต้องรู้จักการรอบรู้ในอริยสัจสีตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นจนถึงเข้าหลับนอนเรียนรู้อริยสัจสี่ให้เข้าใจให้เรียนรอบอยู่ในจิตแค่คําว่ลาละ อ, อย่างไงคําว่ลาละไม่ได้ว่าไปไปทําลายไม่ไม่ใช่ว่าไปหนีหนไม่ใช่ทุกคนไดนขเขา้าใจว่าทุกคืนหนีิง ทิ้ก็ทุกคือปัญหาสมมุติไทยคือเหตุให้เกิดปัญหาคือเหตุอบคือวิธีการแก้ไขคือเขาต้องหนีไม่ใช่ว่าละคือต้องหนีต้องทิ้งก็พ่อเราไม่เข้าใจหลักคําสอนไงเราไม่เข้าใจหลักคําสอนนะพขาไม่เข้าใจว่าทุกมีไว้เพื่อให้ เ, หเข้าไปเผชิญคือเราจะดับไฟเราต้องเดินเข้าไปหากองไฟ้วพูดง่ายๆไม่ใช่จะดับไฟเดินหนีไป <c oughs> ถ้ามันไฟมันไม่มาเนี่ยมันจะมาไม่บ้านไม่เรือนไม่ทรัพย์สินของเรา เขาไปดับมันครับก่อนที่มันจะลามเข้ามาเขาไปดับมันเดินเข้าไปดับมันแต่เอาน้ําไปด้วยไปดับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายไม่เข้าใจทุกและหนีทุกทุกก็ยังตามไปอยู่ดีนั่นแหละเพราะอะไรควันพุ่งอยู่กับตัวเองคทุกมันอยู่ตัวเราแต่ถ้าเรารู้จักมันเนี่ยรู้จักว่าทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยหรอกมันจะเหตุเหมือนกับไฟมันมีทุกจุดขึ้น เพราะนั้นตัวไหนเป็นตัวจุดขึ้นตัวจุดความทุกข์ขึ้นอ่ะก็สมมุทัยคือตัวตัหาเป็นตัวจุดของไฟหรือว่าตัวความทุกข์ซึ่งเป็นความเลาร้อนนี่นี่มันอะไสมุทยัยเมื่อมันสมมุทัยมันสร้างเหตุมาแล้วไอเหตุที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราทําอะไรกับมันไม่ได้หรอกให้รู้ว่าเป็นของควรละรู้ว่าเป็นของควรละยังไงรู้ว่าเราจะไม่สร้างเหตุแบบเดิมเนี่ยซ้ซําๆำซักๆ นั่นหมายถึงว่าขณะที่เหตุมันนํามาซึ่งความทุกข์เนี่ยเราก็จะรู้จักว่าไอเหตุอันนี้แหละก่อให้เกิดทุกข์หากเราทําเหตุแบบนี้อีกก็ต้องทุกข์แบบนี้อีกเมื่อเราสามารถยอมรับทุกข์โดยการที่เราสร้างเหตุอย่างนี้ได้ก็ทําไปที่ถ้าเรายอมรับได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้ก็อย่าไปสร้างบนแค่นั้นเองไม่สบายใจก็คือโยเวลาทํางานเนี่ยหรือว่าคนอื่นที่ทํางานเนี่ยเ้ามองมาว่าเหตุเนี่ย มันเป็นคนอื่นเขาทำไม่ใตัวเองทำํำเวลาทํางานทุกคนเนี่ยก็จะมองว่าทําไมอันนั้น<เ>คือคือมองเหตุภายนอกเหตุที่แท้จริงเป็นเหตุภายในแต่ตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดเหตุนั้นถ้าไม่มีมเราอยู่ในโลกเหตุภายนอกจะมากระทบเราไหมคือ<ม>ถ้าไม่มีเราเกิดมาในโลกเนี่ย<ม>เหตุต่างๆที่มันมีอยู่แล้วโดยปกติเนี่ยมันจะกระทบเราไหมจะกอ่อให้เราทุกข์ได้ไหมไม่เลยก็ไม่ได้ไงตอนนี้ทุกตอนนเหตุนั้นคือเราส่วนหนึ่งตอนนี้เราก็บอกว่า เราก็เข้าใจว่ามันเป็นปัญหาเราควรจะแก้แล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นอีกเหตุก็คือเราไปรับปัญหานั้นมาครับถูก bueno> ต้องไหมถูกอ๋อม um> ันก um> ็มันก็จากเราไงอันี้เวลาคุณเนี่ยเวลาคิดเนี่ยยขาชอบไปโทษคนนู้นบ้านคนนี้อันนั้นคือการสร้างเหตุเพิ่มจากเหตุเดิมที่เราไปรับมาอีกคือสร้างเพิ่มเรื่อยๆเราไม่ได้ละเหตุเลยนเวลาคุณเวลาคุยกันเนี่ยก็จะโมโหกันไอ้ทําไมวุ้ยทาให้เสร็จวะ โน่นนี่นั่นนั้นนี่ก็คือการก่อสร้างทุกวันนี้ไม่แต่คนในออฟฟิศเองทั้งทั้งตัวเองเนี่ยคือตัวเหตุที่ทําให้เกิดปัญหายอยู่แล้วนะขาไม่ได้บอกว่าเราควรจะมีมาตรการยังไงแก้ไขยังไงให้เห็นุนั้นน่ะมันลดน้อยลงการมองว่าเขาไม่ดึงเลยเข า, <ว>าื่นแน่กว่าตอนนี้แหละอาตม า, าอาตมาจึงสอนสอนพวกกลุ่มที่ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มไม่แต่องค์กรบริษัทกลุ่มชนทั้งหลาย แต่มาว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาให้รู้จักปัญหาว่าปัญหาเกิดไปยังไงอย่าพึ่งโทษคนห้ามโทษคนเด็ดขาดเพราะการโทษคนมันไม่ได้แก้ไขปัญหาเพราะการโทษคนมีแต่จะเป็นการเพิ่มปัญหาแต่ว่ารู้ปัญหาให้รับทราบปัญหานี้ร่วมกันรู้เหตุปัญหาให้รับทราบสาเหตุจากปัญหาเลยให้รับทราบร่วมกันทั้งหมดเมื่อรับทราบเหตุปัญหาแล้วให้ความเห็นกันมาว่าเราจะทํายังไงต่อไป เพื่อจก้าวผ่านปัญหานี้นั่นคือวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องมันไม่ใช่มานั่งพดคนนั่งบูนนี่มันไม่มันไม่ได้การแก้อันนั้นอ่ะมันทำมันทําให้สิ่งที่เลวร้ายอยู่แล้วเลวร้ายลงไปกว่าเดิมอีกนะพอพอเราแก้ไขโดยไม่ลงโพดคนปั๊บมันจะมีความรู้สึกร่วมในการที่จะแก้แต่ถ้าลงโพดคนปุ๊บมันมันไม่ร่วงเลยตัวใครตั ว, ตวมันกลายเป็นคนคนหนึ่งที่ต้องแบกรับปัญหาตัว จนไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันไปได้ใช่ไหมละ่ะพอมีความรู้สึกร่วมมันมีความเห็นร่วมกันที่จะแก้มันก็มันก็จะเกิดผลในการที่จะนําความเห็นเหล่านี้ไปสู่การก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องเลวร้ยวายนะั้นทีนีว่าพัฒนาไปได้จเวลาคุยแล้วเนี่ยเขาบางคนเสนอว่าพอเราไม่ได้ไปถวาย ให้กับแม่ธรณีไม่ได้ไปเลี้ยงแม่ทรณีไม่ได้ไปเลี้ยงพระพรมไม่ไปเลี้ยงเจ้าที่ไม่ได้ไปเลี้ยงผีนั่นผีนี่มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นในงานก่อสร้างเห็นไหมความงมงายมันอยู่กับโลกนี้มาฮาเป็นเรื่องธรรมดาความงมงายยังไงมันก็ยังอยู่ในจิตใจคนที่ยังเข้าไม่ถึงพุทธพุทธคือความรู้ตื่นเบิกบานราเตที่เขายังไม่รู้ตื่นเบิกบานเขาก็ต้องงมงายในเรื่องนั้นเป็นเพราะไอ้แม่ธรณีนี่นุ่น เห็นไหมย่าลามไปถามแม่ทรณีนุ่นไม่รู้แม่ทรณีอยู่ดีๆสะดุ้งกูต้ออยู่ของกูดีๆนะแม่ทรณีว่ามึงจะทําอะไรบนพื้นดินมึงก็ทําไปสิก็อยู่ของกูเนี่ยดินก็คือดินน้ำก็คือน้ำไฟก็ไฟลมก็อลมเห็นไหมครับแม่ทรณีก็แค่ผู้อาศัยสถิตแค่นั้นเองทีนี้มันเพราะแม่ทรณีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือไขรกันแ ก็คือคนดวงจิตดวงวิญญาณที่สถิตดินแต่เราไปปั้นเรื่องขึ้นมาว่าคนดวงจิตดวงวิญญาณที่สถิตดินเนี่ยเป็นแม่เป็นพระแม่คือคําว่าพระแม่เนี่ย package. มันยิ่งใหญ่ไงต้องเคารพไ ง, งก็ก็ถูกก็ภูมิมประเทศภ <ขอ S 2> ูมวิวัฒนาหรือบ้านเราเราียกว่าภูมินั่นแหละภูมิเจ้าที่นั่นแหละเจ้าที่ยจ้าทานั่นแหละพูดได้ง่ายว่าดวงจิตดวงวิญญาณที่สถิตดินเป็นเทวดาที่มีบุญน้อยไม่ได้มีบุญมาก เขาไม่ได้มีบุญพอที่จะให้มนุษย์ไปกราบไหว้เขาเลยนะกะนระักสุดอื่อย่างนี้แล้วให้เขาไปไหว้กัแต่เอาไปไหว้ก็เราก็ไปไหว้ก็คือไปยอมรับสิ่งเหล่านั้นให้อยู่เหนือเหนืออะไรเหนือความเขาลบเหนือความรู้สึกของเราเราก็อยู่ภายใต้ความรู้สึกของของธรณีของดินนั่นนะ่ะจริงๆแม่ธรณีหรือนางธรณีอะไรมันไม่ได้มีอยู่หรอกโดยความจริงมันไม่มีมันมีแต่ดวงจิตดวงปิญญาที่สถิด ก, กับดิน เทพสถิตดินผู้เรียกใช้คำว่าภูมิมเทพภูมิมานาังเดวานางสุตตวาเทวนาที่เป็นผู้สถิตตามภาคพื้นภูมิภาคอบอกไปยังก็คือสถิตตามพื้นดินเนี่แหละจริงจริงก็คือเหมือนที่อยู่บนต้ไ<ใ>นไม้ใช่อย่กลางปกตไม่ได้ว่าเด่นออกมาจน ไ, ไม่ไม่ดีมันไม่ไดีดีมันไม่ไดีดีดดไมไดีแต่งขึ้นมาว่าเป็นพระแม่ธลณีถูกแต่ง เราถูกปั้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมามาแล้วตั้งแต่สามาัยพระพุทธเจ้าแต่รู้หน่อว่มามีนางพล น, นีเอามวยผมมารองรับนะพระพุทธเจ้าลำบิดออกมาท่วมทับกองทัพพญามารเราถูกปั้นเรื่องแล้วถูกใส่ความรู้ความเห็นปลูกฝังมาตั้งแต่อยู่โรงเรียนอยู่รเรียนวอยใบ้าโบสวัด <What? S 1> ใช่มันเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวที่มันผิดจากหลักธรรมาชาติ มันก็เข้ากับอย่างดีแล้วแหละเข้ากับศาสนาฮินดูได้ดีมากเลยนะพัก่จริงนะพีกิ๊กก็ผู้ได้เจ้าทรงตัดเองเนะพระตาพโดกบอกว่าในที่นั้นไม่มีใครอยู่กับตถาคตเลยใช่ครับใช่ไหมล่ะผมก็ยังต้องทิ้งสเวีฉัดหนีไปอยู่พม่โลก <c oughs> พระอินหนีไปอยู่นู่นป่าขอบจักรวาลเนี่ยหน้าพิกดม้วนเป็นบันลังอันคือโกงอะดำอยู่ไปอยู่หน้าพิภพดำดินลงไปเม่อกเทวดาแถวนั้น นี่มีไปเจิญนี่มีกระเจิดกระเจิงเลยมีเหลือใครเลยพระองค์ทรงตัดเองอยู่ในนั้นอ่ะตถาคตเผชิญกับกองทัพพญามารโดยลำพังไม่เคยพูดถึงคําว่าแม่ธรณีธรณีไม่เคยมีในคําตัดของพระองค์ทีนี้คนที่แต่งเรื่องขึ้นมาพยายามจะยกแม่ธรณีให้เป็นนางเอกหากพระพุทธเจ้าได้รับความช่วยเหลือจากนางธรณีจริงพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้เป็นเอกเป็นผู้ยอดเยี่ยมในโลกได้ยังไง พ่อนางพลียัมาช่วยพุทธเจ้าได้ถามว่านางพลดีได้ตัสรู้เป็นสัมมาสมัมพุทธะไหมนางพลีได้ได้ยินไหมว่าเป็นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันไหมไม่โสดาบันก็ยังไม่ได้เป็นจะมันเก่งกว่าพราะพุทธเจ้าและเก่งกว่าพญามารสิ้นมาจากภะ ม, มินิมิตาสวัสดีมานชั้นที่หกชั้นสูงสุดของเทพผู้เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าเทพบรรดาเทพทั้งหลาย ผมยังกลัวอ่ะคอับคนง่ า, ายกลวัวอนุภาพคจะให้ว่าอย่างไร<ม>เราเพราะพระเจ้าทรงตัดเองว่าไม่มีใครอยู่กับพระองค์พองค์อยู่โดยลําพังพรชิญมาโดยลําพังเรื่องแค่นี้เราชาวพุทธเราก็คิดกันไม่ออกคิดกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะความงมงายมันครอบนํามไม่ให้คิดความงมงายครอบงำให้คิดไม่ออกก็บอกว่าอาจารย์ก็พูดรุนแรงไป มันจะแรงที่ไหนมันก็หาว่าเราพูดแรง <c oughs> มันมันไม่ได้แรงแค่นี้นะไม่ได้แรงเขาพูดว่ามันมงมงายจริงจริงมันก็ไม่มีแหะผ่านกิจริงเลยหนูมันไม่มีถูกแต่งขึ้นในภายหลังถูกแต่งขึ้น่<ม>นงไม่เห็นเลยมี แ, <ต>แม้แต่แที่เขาแม้แต่ที่เขาบอกว่า พระเจ้าประสิทธิี่โกรศนลึกไพระเจ้าประสิทธิี่โกรโศนสร้างพระพุทธรูปไว้ด้วยไม้จันท์ตอนที่องค์รงเด็จไปที่ดาวมาดึงนั้นใช่ครับอันนี้ก็แต่งขึ้นไม่ไดีอยู่จริงเ ร, เราถูกตำราที่ถูกเราถูกตำราที่แต่งขึ้นมาเนี่ยพอกนํำเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวให้เชื่อ หลักสูตรนักธรรมเขาบรรจุว่าบรรจุเข้าไปในหลักสูตรนักธรรมที่เรียนกันทางธรรมะทางศาสนาเนี่ยนักธรรมตีโพอีกเขาบรรจุคําว่าพระพุทธเจ้ปเป็นอุเตศิกาเจดีซึ่งขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าโดยตรงที่พระองค์ทรงตรัสว่าอุเตศิกาเจดีไม่มีไม่มีวัตถุปรากฏจะให้ต่อมาว่ายังไงจะให้ต่อมาเชื่อตำลาที่ถูกแต่งขึ้นหรือเชื่อคําสัตั์ของพระพุทธเจ้า อตามาเป็นพระและคนที่บรรจุคํานี้ไว้ในหลักสูตรก็เป็นพระพระที่เชื่อหลักสูตรที่แต่งขึ้นกับเชื่อคําของตัดของพระพุทธเจ้ามันก็เลยเกิดมีอย่างแย่ขึ้นในความขัดแยง้งในหมู่ของชาวพุทธแล้วความขัดแย้งก็ถูกมองว่าไม่ลงรอยกันเราควรจะลงรอยกับหลักคําสอนหรือควรลงรอยกับคำพีที่แต่งขึ้นมันก็ต้องมองในแง่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่า ขัดแย้งกันเพราะไม่ลงรอยกันหรือจะเป็นไปเพื่อทะเลาะกันอะตมาไม่ทะเลาะใครจะเป็นทะเลาะทำไมมีประโยชน์อะไรเพียงแต่ว่าหลักคําสอนเก่าอย่างนี้ธรรมาเอาหลักคําสอนที่เก่าอย่างนี้มาบอกมาสอนมาอธิบายให้ฟังอะไรนะพระธรรมาจึงบอกว่าให้ยึดพระตนไตใให้ดียายคลอนแทนยาอย่าทําให้จิตของตัวเองสงสัยตัวเองว่า ค่าตามที่เขาบ้านด้วยเนี่ยพวกเนี่ยวันไหวทำไหมจิตเราเองดีก็เราดีเองไม่ดีก็เราไม่ดีเองมันอยู่ที่เรา ม, มีใครรับรองความดีความช่วยให้กับเราได้ถ้าเราจะทําดีสัยอย่างก็ขึ้นอยู่กับเราที่อาตมายืนหยัดจริงวันก็นอ า, าตมาเห็นชัดเห็นชัดในพระธราตนัยว่าพระราตนัยที่แท้จริงเป็นอย่างไรเห็นชัดใน ในหลักคําสอนแต่ละคําสอนจนปราศจากความสงสัยในแต่ละอันอันที่ไม่เห็นชัดนํามากบคิดพิจารณาให้ควรให้มันแตกประเด็นจนเห็นชัดรู้ชัดเข้าใจชัดชัดแล้วจึงนํามาบอกมาสอนมากล่าวมาอธิบายเลือกเฟ้นแล้วจึงนํามาพูดมาบอกว่าความจริงเป็นอย่างแบบนี้แบบนี้แบบนี้เทียบกับหลักคําสอนแล้วมันเข้ากันได้แต่ถ้ามันเทียบกับหลักคำสอนแล้วเข้าไม่ได้ก็ก็อย่าง ไ ม, ไม่แสดงคั ส, สนะในแง่นั้นออกมาเพื่อทำให้เกิดความสงสัยและลังเลแต่อันไหนก็ตามที่ชัดเจนแล้วจะพูดออกมาและจะไม่ทำให้งงและไม่ให้สงสัยและไม่ให้หลังเลทุกอย่างจะเป็นความการสแสดงออกด้วยความชัดเจนเพราะสัจจมันมีอยู่นะสัจจคือความจริงมันมีเข้าถึงความจริงนั้นก็ ก็แล้ ว, ลวส่วนมากก็เข้าไม่ถึงความจริงนั้นศา ส, สนาพุทธก็เลยถูกปฏิบัติแบบแบบพรรมณ์แบบไยยาสตร์แบบนับถือผีแบบนับถือเทพแม่ธรณีแม่โพศพ แม่โคงคา่าแม่ไหนเยอะเยอะเจ้าแม่เยอะเนาะแต่เขาก็ไหวกันนะตั้งต๊กันเราเรา <c oughs> ถ้าเราไม่ไปยกให้แม่ทรณีเป็นใหญ่นะถ้าเราบอกถ้าเราเอาตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าจริงจริงว่าอัตตหิุตโนธุตุ น, โ น, โ น, โตตนแลนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนมันไม่มีใครเป็นใหญ่ตัวเองนะั่นแหละพึ่งตัวเองตัวเองก็ใหญ่ในตัวเองแต่ไปใหญ่กับคนอื่นก็ผิดอีกนะ ใหญ่ในตัวเองเท่านั้นพึ่งตัวเองได้สร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาภายในตัวเองไม่ยถึงว่าสร้างเป็นเป็นพลังของจิตอะไรก็ตามที่พึ่งพาตัวเองได้<ม>โดยไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกพึ่งพาตัวเองได้อันนี้พูดถึงในด้านของสติปัญญานะไม่ใช่เกี่ยวกับวัตถุนะ<ม>พูดถึงสติปัญญาที่จะพึ่งพาตัวเองดับทุกข์ให้กับตัวเองเ น, นี่ยอันเนี้ย ต้องสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นการสร้างกําลังใจขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบรรดาลสิส่งอื่นมาบรรดาลของศักดิ์สิทธิ์มาบรรดาลเป็นการบรรดาลชีวิตตนเองด้วยกําลังใจของตนเองซึ่งเราสามารถทําได้พระคุทธเจบอกเราทําได้มนุษย์เราทําได้เองอยู่แล้วเพราะอะไรก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งพวงเนี่ยมนุษย์สร้างเขาขึ้นมาไว้นช่เหรอแล้วมนุษย์ไปก้มหัวให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมา เขาไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะมนุษย์ไปมอบหมายให้เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเขาก็เลยศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอัตมาจะเอากระโถนเนี่ยมากราบไหว้ทุกวันทุกวันให้กระโถนนี่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เอาจริงๆถ้าอาจารยจะมอบความศักดิ์สิทธิ์ให้กับกระโถนแล้วบอกให้ใครก็ได้มาอธิษฐานไอ้กระโถนซึ่งเป็นกระโถนที่พิเศษกว่ากระโถนอย่างอื่น เมื่อครูสร้างเรื่องราวขึ้นมาว่าอันนี้เป็นขอศักศิ์ขึ้นมาปั๊บมันก็มีความศักศิิทธ์เป็นความยิ่งใหญ่แต่ถ้าตาเมาบอกว่าทุกคนน่ะหรือพระเจ้าพรงคสอนว่าพวกพวกเราเนี่ยสักศิ์แล้วให้กระโถนจะมีความหมายอะไรก็คือกระโถนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกกานนี้นะเมื่อเราไม่ให้ความหมายกับมันหากเรามาให้ความหมายอยู่กับความการพึ่งพาตนเองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกกานมันไม่มีความหมาย มีความหมายที่ไหนหรอมีความหมายอะไรเลยัารก่สร้างกับแม่ธรณีก็ไม่เกี่ยวเลไม่เกี่ยวถ้าจะเกี่ยวก็คือธรณีคือดินอเ อ, อถ้าดินถล่มก็เกี่ยวอยู่ <laughs> ทำยังไงถึงจะไม่ให้ดินถล่ม <laughs> ก็ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจที่จะสร้างบริเวณนะั้นไม่ให้มันถล่มยังไงก็เป็นเรื่องของความรู้ไม่ใช่เรื่องของวงสวงแม่ธรณี ช่วยรักษาฐานรากอันนีห้หน่อยนะเสาเข็มอันนี้แม่ธรณีจะไปรักษามันอยู่ที่ความรู้ที่เราจะทําขึ้นมาว่าเราจะทํายังไงให้มันแข็งแรงฐานที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยฐานรากเนี่ยแบบกันแผ่ินใหวหรือไม่กันมันก็มีความรู้สอนกันอยู่แล้วใช่ไหมหลังความรู้จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าจะให้ศักดิ์สิทธิ์นัคือความรู้แตาอยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงคือความรู้เพราะนั้นถ้าเราจะให้เราศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องสร้างความรู้ขึ้นมาในเรา เพราะมนุษย์สร้างสิ่งต่ตางๆได้หมดเลยจริงๆมนุษย์สร้างพระเจ้าขึ้นมาได้จริงๆพระเจ้านี่คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะไม่ใช่เขามีอยู่เดิมแท้มนุษย์สร้างเขาขึ้นมามนุษย์เชื่อว่ามีหนึ่งคนเชื่อว่ามีมันเลยสองคนเลยเชื่อว่ามีสามคนเชื่อว่ามีสี่คนเชื่อว่ามีไอห้าเอหกจะมีเชื่อได้ยังไงหรอกก็ <S <S มันมันเชื่อไปแล้วนะว่ามีใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยเห็น ไอหนึ่งคนที่ไม่เคยเห็นก็มาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สื่อสารมาให้เรามาบอกพวกเธอทั้งหลายไอคนที่สื่อสารเลยกลายเป็นผู้มีความสําคัญขึ้นมาในสังคมได้รับการยอมรับพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้สื่อสารจากเทพรพระเจ้าไหมไม่พวกองค์ตรัสรูชอบใ ด, ด ห, หรือองค์เองนั่นหมายถึงว่าศาสน า, าพุทธเป็นศาสน า, าของการใช้สติปัญญาความภาพเปียนและเลี้ยวแรงของกําลังของตัวเองเลี้ยวแลง ข, ของตัวเองเป็นความภาพเปียนของตัวเอง ที่จะสร้างขึ้นมาตัดสรุปได้ด้วยตัวเองทุกคนต้องตัดสรุปได้ด้วยตัวเองอาศัยคําสอนผู้เจ้านํามาสู่การตัดสรุปและทําด้วยตัวเองภาพเพียรด้วยตัวเองสําเร็จด้วยความเพียรของตัวเองนี่คือวิถีแห่งพุทธศาสนาไม่เป็นพูดของไทยผู้เจ้าไม่ได้ตกเป็นพูดหรือท่าของไทยมีอิสระทางปัญญาที่จะไข้ ค, ควรหลักเหตุหลักผลนะํามาสู่การประพฤติปฏิบัติใน ห, หลักของความจริง อยู่กับความจริงเท่า น, นั้นไม่ได้อยู่กับอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือการอย่างอย่างทซาพระเจ้าอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่ า, าศาสนาอื่นที่เขานับถือกันอยู่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่พูดคือคือเล่าให้ฟังว่าคุณพระเจ้าไม่ได้เป็นพูดของพระเจ้านะด้วยตัวพระพุทธเจ้าพระองค์เองใช่ไม่มีใครมาผ่ า, ผานพระองค์พระไม่ได้อ้างว่าเทพตัวนั้นมาบอก แหตุตัวนี้มาบอกหรือผู้นั้นผู้นี้มาบอกหรือสิ่งที่ไร่การอย่างทราบการร่วมรู้ไม่มีใครร่วมรู้สถานะอันนั้นได้ไอสถานะอย่างนั้นไม่มีมาผ่านพระบอกว่าสิ่งที่เรามาบอกมาสอนคือสิ่งที่เรารู้แล้ว <c oughs> เห็นเองเข้าใจเองทราบเองด้วยตัวของตัวเองจึงเนามาบอกมาสอนและสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าตาหาพุทอนั้นที่รู้ผู้ที่เจ้าองค์ก่อนก็รู้แต่ผู้ทีเจ้าองค์นั้นไม่ได้มาบอก เป็นการเข้าถึงด้วยความภาคเพียรความเป็นของพระพุทธเจ้าเองแล้วพวกเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็นําไปสู่การป่อพืติปฏิบัติแล้วรู้เองขึ้นมาด้วยความรู้นะั้นเพราะมีหลักยึดหลักเทียบจากพระสงฆ์สาวก ค, ครั้งพุทธการแล้วว่าพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นสักขีพยายนแห่งการบรรลุถึงว่าการบรรลุ ถ, ถึงพุท ธ, ธะบรรลุ ถ, ถึงได้แม้ในระดับสาวกบรรลุ ถ, ถึงได้แม้ไม่ใช่สามาสาัมพุทธะเป็นสาวกพุท ธ, ธะก็สามารถเข้าไปรู้อริยสัจสีได้ เนั้นอริยคติจึงเป็นสาธารณธรรมที่เข้าถึงได้ในทุกดวงจิตทุกดวงใจไม่เว้นแม้แต่เทวดาหรือพรหมก็บรรลุได้มนุษกษะบรรลุได้เปรตบางจําพวกก็บรรลุได้เห็นไหมละ่ะเปรตยังยังพุทธเจ้ายังอนุเคราะห์เราเปรตมากเปรตยังรู้ได้กัมเรศสัตย์ชฌานจำพวกนาคพุทธเหมยังไม่ได้แม้จะเป็นภาพภาวะทิพย์ก็บรรลุไม่ได้แต่พออยู่ในกัมเนินสเศสัตยเชฌานพ่อปิดพุทธเจ้าก็ทราบว่า กลุ่มไหนไม่ได้กลุ่มไหนได้พวกก็แสดงคำเพื่อกลุ่มชนที่สามารถรับทราบได้เพื่อชนเหล่านั้นอาตมาก็เชื่อว่าชาวพุทธเราในเมืองไทยสามารถเข้าถึงได้จึงสอนวิธีการนี้ไว้ว่าเรามาสู่หลักของคำสอนดีกว่าที่จะไปอยู่กับวิถีของขนมธ ร, รมเมียมประเพณีและพิธีกรรมจึงสอนไว้ไม่พูดวมด้วยก็ใช่ไ ด, ด้ป่อตัวไอ ทีนี้เมื่อมนุษย์สามารถสร้างพระเจ้าขึ้นมาได้ถ้ามนุษย์จะลบพระเจ้าออกจากความรู้สึกทำไมจะลบไม่ได้เราสร้างขึ้นมาได้แสดงว่าเราศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยเราสร้างพระเจ้าได้ใช่ไหมหรือพระเจ้าจะศักดิ์สิทธิ์เหนือเราเราสร้างขึ้นมาหรือยังไงเอ้าก็เราสร้างขึ้นมาแท้ๆเราจะเกรงกลัวต่อสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาอยู่เนี่ยฮะแป้งเมื่อวานนี้มาไหว้ พอปั้นขึ้นมาปั๊บเ้วก็เสขึ้นมากายศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเตรงกลัวโอ้โหก้กราบนอกนแต่ตอนที่ปั้นขึ้นเหยียบหัวเหยียบไปหมดใช่ไมล่ะนกอกตัวเองใช่มันหลอกตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนบอกถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านรบรู้รับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาอยู่ต่อหน้าอาตมาเหมือนกัน อันตัวไหนเป็นตัวศักดิ์สิทธิ์อันไหนจะมาศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะให้อันนั้นอ่ะอันที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นอ่ะมาปากกตัวต่อหน้าจะได้คุยกันรู้เรื่องไม่ใช่อ้างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันคุยก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนะเพราะมันมีการอ้างโดยส่วนเดียวโดยที่เราก็ลวงรู้ไม่ได้ถ้าอยากถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นมีก็มาที่นี่นะไม่ได้คลาสไม่ได้คลาสไปเย ข อ, ตองต้องขออภัยนะว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ท้าใครคืออยากจะคุยกันจริงๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถามหน่อยว่าสามารถประกาศตนเองว่าเป็นผู้บริสุรธิบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงปาฏิจารกิเลสดับวุติเจ้าไหมอยากจะถามมีคําสอนอะไรที่เป็นสัจจะที่จะสอนกับมนุษย์ได้บ้างอยากจะถามแล้วผู้ที่เป็นผัสาวกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ โดยสามารถเข้าถึงความสิ้นคุกได้จริงหรือไม่ก็อยากจะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นทาไมถึงอยู่ในสถทานะของผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้คนทั้งหลายกราบไหว้และยอมสิโลลาบกราบแล้วยึดถือเป็นเป็นอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่พึ่งพางที่ทําให้เกิดรู้สึกความเบาความสบายในใจิตในใจและเป็นที่เข ท, ทั้งทั้งที่ ภาษาธดาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตัดสอนอย่างนั้นพระธรรมคือสัจธรรมที่โพลทรงตัดสอนไม่ได้เป็นอย่างที่ทำกันนั้นพระสงฆ์สาวกแต่ทั้งพุทธการที่ศึกษามาที่ปรากฏอยู่ในหลักพระไตรปิฎกท่านไม่มีปฏิปทาอย่างที่เป็นอย่างนี้ทั้งมดทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมพระสงฆ์ที่อาตมาได้รับรู้รับทราบมา ท่านเหล่านั้นไม่เคยทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ขึ้นมาภาษาลิบุตพระโมคคัลลานะพระมาหากรสปะพระกัจยานะพระศิวะลีท่านก็ไม่ได้ปั้นรูปปั้นของท่านมาให้คนยึดถือมาสักการะบูชาท่านก็นับบอกให้นะับถือพระรัตนตรตัยท่านห้ามไม่ซ้ำไปร่วมเดินนะห้ามไปซ้ใช่ไหมั้นเราก็เรายังรู้ว่าหนะ้า เมื่อผู้ได้เจ้าห้างและแจะให้อัตมาพัฒน า, าก็ก็จะถามจะถามอันที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเขาบอกว่าก็ท่านเป็นมนุษย์ท่านจะรับรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงท่านเป็นมนุษย์<ม>สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่อยู่เกินกว่าสิ่งที่เราจะเข้าใจได้เมื่อเราไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่เกินกว่าจะเราจะเข้าใจได้นั้นเราจะไปเข้าใจเขาทําไมทําไมเราไม่เข้าใจพระพระพุทธเจ้าที่พระองค์สามารถทําความเข้าใจให้กับเราได้ใช่ไหม สิ่งที่ไม่มีไม่มีตัวตนและไม่สามารถพูดคุยกับมนุษย์ได้ไม่สามารถตอบปัญหาของมนุษย์ได้จะทำให้มนุษย์เข้าถึงสัจจานั้นได้อย่างไงไม่สามารถตอบคำถามมนุษย์ได้และจะจะให้มนุษย์หายสงสัยในประเด็นที่มนุษย์ตั้งคำถามที่เป็นความสงสัยขึ้นมาได้อย่างไรตงแต่พระเจ้าตอบปัญหาเราได้ใช่ไหมได้ได้สิทำไมจะไม่ได้ ถ้าทมที่เราเข้าไปศึกษาแล้วสามารถตอบความสงสยัยเราได้ใช่ไหมได้พระสงสาวกของพระสมมาสาวกเจ้าผู้ก็เพื่อดีปฏิบัติชอบยังสามารถเข้าถึงสัจธรรมนั้นได้อยู่ยังมีอยู่ให้เราถามตอบได้ใช่ไหมไพู ด, ดคุยได้ได้ไดแล้วศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ทําไมไม่ทํ า, สมสาทไมไม่มาตอบคาถามให้กับอตาตมาบ้างถ้าศักดิ์สิทธิ์อันนี้อันนี้มันมีหลักฐาในส่วนพระไตรปิฎกคือว่า ตอนที่จะท่านลงมาจากดาวดึงท่านเลยถามว่าแต่ละอุคข้อปัญหาอันเนี้ยชาวบ้านตอบได้โสดาบันตอบได้สกธารามีอาหารแม่แต่ภูมิของโสดาบันใช่ไหมใช่ครับก็ตอบได้เฉพาะภูมิของโสดาบันภูมิของสกธารามีก็ตอบได้เฉพาะปัญหาที่เป็นภูมิของสกธารามีภูมิของอนาค า, ามีก็ตอบปัญหาอันที่โพลทรงตั้งมานั่นได้เฉพาะภูมิของอนาค า, ามี ภูมิของอรหันต์ก็ตอบปัญหานั้นได้เฉพาะในภูมิของอรหันต์ภูมิของอครสาบก็ตอบปัญหาได้เฉพาะในภูมิของอาารสาบกพระอรหรันต์ทั่วไปจะไปตอบปัญหาแทนของพระอครสาวกไม่ได้คือมันไม่มีปัญญาถึงอ่ะมันตอบไปได้คือขอบเขตของใครพวกมันอย่างนั้นแม่แดงปัญหาของพระเจา้าก้องแก่พระเจ้าโดยพระเองวิว คำนึงในส่วนพระดก ท, ที่ว่ายักษ์ที่บอกว่าเนี่ยได้คำถามมาจากพระเจ้าคือได้คำตอบแบบค่ยง่ายถ้าอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครตอบไม่ได้เนี่ยโดนทินเพราะว่าพระเจ้าบอกตอบได้ตออันนี้ไม่ใช่คนธรรมดาละนี่คือพระเจ้าเพราะคนที่จะตอบปัญหานี้ได้มีแต่สามมาสัมพุท ธ, ธเท่านั้นใช่ยักษ์ก็ลืมใส เอ๊วันนี้มันเป็นเรื่องให้พูดอะไรอย่างเงี้ยยังเงี้ยก็ต้องพูดเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราไปมอบความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระพุทธเจ้า มันจึงทําให้เราได้รับรู้รับทราบเรื่องราวทางศาสนาแบบผิดเพีย้ยนไม่ตรงกับหลักความจริงจุดประสงค์ของอาตมาต้องการเพียงแค่ให้ชาวพุทธได้รับรู้รับทราบพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นความจริงในส่วนที่เป็นสัจจะการพูดหรือการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าอะไรก็ตามนั่นไม่ได้เป็นการลบลูและไม่ได้เป็นการปลามาและไม่ได้กลัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไรต้งปวงในโลกกถานี้ไม่ได้กลัวมีนิอัตมามีนีส้สยเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอะไรก็ตามที่ไม่สามารถตอบความสงสัยของอัตมาได้อัตมาจะไม่จะไม่ยึดถืออันนั้นคือจะปฏิเสธเลยเนี่ยสิ่งที่จะทําให้อัตมายอมรับได้ต้องตอบความสงสัยอัตมาได้ มาโดยตลอดเลยเนะียแม้แต่สามาัยอยู่กับหลวงปู่คำสุกเองก็ตามก็มีการถกเถียงกับหลวงปู่คำสุขจนล่างวัดคนก็มาดูก็เราเราไม่รู้ความหมายในสิ่งที่ท่านบอกท่านสอนท่านไม่อธิบายไม่บอกให้ทําข้อวัดแบบนั้นแบบนี้อะไรถูกอะไรผิดท่านไม่บอกมีแต่บอกว่าผิดผิดทีไอถูกไม่เคยบอกก็คืออะไรเราก็ไม่เข้าใจางไงเราก็มันฟูฟีพันก็เถียงกันกัน จนจราศีธาไปแต่สุดท้ายเราก็จนต่อความจริงเพราะความจริงมันมีอยู่แล้วก็ยอมรับความจริงสุดท้ายก็กลับไปอยู่กับท่านและกลับไปอยู่ใหม่ก็ไม่ได้เป็นคนดื้อด้านอีกเพราะยอมรับแล้วไงเพราะเรายอมรับความจริงอยู่แล้วได้แล้วเมื่อเรายอมรับความจริงได้แล้วความจริงคือสิ่งที่ทําให้เราได้รู้จักสิส่งที่ควรจะอยู่ตามความเป็นจริงคือมันไม่ได้อยู่ในความคิด ไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจยากอย่างนั้นอย่างนี้ไปเองแต่ความจริงมีอย่างนี้ก็ยอยู่กับความจรมิงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นมันไม่สามารถสร้างความคิดให้บ่เงยออกมาใหม่ด้ว่าควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่มันมันไม่มีเช่นท่านด่าเราก็ถูกแล้วที่ท่านด่าเพราท่านมาได้ชมเรามันก็จบอยู่ตรงนี้น แต่ก่อนนี้ท่านด่าเราด่าเราทําไมวะอย่างเงี้ยเราผิดอะไรเราผิดตรงไหนนั่นมาหาเหตุผลหาข้อมูลหาอะไรมาแย้งท่านหมดอ่ะมาด่าเราทําไมเราผิดอะไรผิดตรงไห น, นเราก็ทําอะไรมาถูกหลายๆอย่างเนี่ยจะมาด่าทําไมอีกเงี้ยมาหาข้อข้อแย้งแต่พอไปครั้งนั้นท่านด่าปุ๊บถูกแล้วที่ท่านด่าเราแค่นั้นเองจบอ๋อทําไมท่านต้องดา่าก็ท่านต้องการจะดา่ามันเป็นสิทธิ์ของท่าน เราไปอาศัยอยู่กับท่านซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านจะต้องดา่าท่านก็ต้องด่าเราไปเราไม่ได้ไปคิดโต้แย้งอีกทีนี้มันไม่มีความคิดอะไรนะั่นคือความจริงแล้วนะมีพูดด่าก็ต้องมีพูดถูกดา่าก็คือความจริงอยู่ด่าจนเราสามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ท่านดา่าท่านต้องการให้เปลี่ยนแปลงอะไรมันเป็นการรู้ขึ้นมาในภายใน แต่ถ้าเราหาเรื่องโต้แย้งหาเหตุผลหามาอะไรมาที่จะอยาคัดค้านเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าท่านต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ทําในสิ่งที่ท่านต้องการให้เปลี่ยนแปลงถ้าต้องให้ทำตรงนี้แล้วว่แก่ตรงนี้พอแก้ตรง น, นี้ปุ๊บท่านหยุดจางถูกแล้วท่านก็ด่นเรื่องอื่นต่อด่นเรื่องอื่นต่อมันต้องมีอะไรต้องแก่แน่ทาจ น, จนจนจนจนแก้จนท่านหยุดดา่างเออใช่ถูก ด่าเรื่องใหม่ยินทีนี่มันได้แก้เรื่องใหม่ไปเรื่อยทีนี่ทำเรื่องใหม่ไปเรื่อยด้วยความจริงจนไม่มีคำจะด่าแต่สุดท้ายก็ด่าอีกด่าตอนไหนรู้ไหมตอนที่กาบลาออกจากท่านแล้วท่านด่าว่าเอ้ย่ามันไปแล้วไม่กลับ ม, มาหาผูอีกเย <c oughs> อยู่กับท่านสี่ปีท่านก็ยังด่าอยู่อ๋อท่านอยากให้กลับไปเลยกลับไปเยี่ยมท่าน <c oughs> กลับไปเยี่ยมท่าน พอกลับไปเยี่ยมท่านก็ไม่ได้่าอะไรก็แค่นี้หรือบางทีท่านก็โทรมาน้องปูโทรมาจะไปถวายทองหลวงตามหาบุวุษให้มาร่วมไปด้วยไอ้เราก็อาพาธอยู่คือเราอาพาธเราป่วยป่วยแล้วก็ไปไม่ได้ท่านก็ด่าแล้วอีกแม้มันป่วยเมื่อไหร่มันจะหายสักทีวะเห็นมันป่วยอยู่ทั้งปีก็ด่าพี่อีกท่านหาด่ากูบาอาจารย์เนาะ จะป่วยอะไรนะหมาววิบ <day> ีด <life> ุจจะขายกันไหนโคนมันไม่หายไลคือเราอยู่กับความจริงมาโดยตลอดมันก็เลยมันไม่มีอะไรพิเอะไรศักดิ์สิทธิ์อ่ะถ้าจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็คือความจริงและศักดิ์สิทธิ์หรือตัวเราด้านแหล่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเพราเราได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเอง เราขออยากอ้อนวอนขอไอ้ที่อยู่ตรงหน้ากำศศิษฐ์ขื้นมาเลยเราก็ดูว่าคาว่าศักดิ์สิธิ์มันมีความหมายว่าอย่างไงมันมาจากคาว่าศั ก, กิ์กรแปลว่าความยิ่งใหญ่สิท ธ, ธิแปลว่าความสำเร็จความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิตเราเราต้องการให้ชีวิตของเราสำเร็จแบบยิ่งใหญ่อย่างไรคือต้องการให้ชีวิตไปอยู่ในจุดของความสำเร็จแบบไหน เราก็ต้องภาคเพียนด้วยความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ตัวเองไปถึงจุดแห่งความสําสเร็จอันนั้นการที่เราสามารถพาคเพียนด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยความสามารถอยากเหงือแรงกายทาให้เราไปสาเร็จตรงจุดนั้นนั่นคือศักดิ์สิทธิ์แล้วอาตมาตั้งความปรารถนาที่จะให้ตัวเองอยู่แบบนี้และอาตมาก็าพาคเพียนไม่ อ, อนยอมต่ออํานาจของกิเลสต่ออารมณ์ต่อเรื่องที่ถูกกระทบต่อความ เกียรตลานภายในตนเองฝืนต่อสู้กับสิ่งที่มันเป็นอุปสปรรคปัญหาต่างๆภายในตนเองฝืนทั้งกิลเลสทั้งอาสวะทั้งสิ่งต่างๆที่มันปรุงแต่งกิดอยู่ภาพเพียนมาแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละครั้งมันเหมือนกับรอแ ล, ล, ล่ ล, ล่อแล่คุจะรอดหรือไม่รอดกูจะรอดหรือไม่รอดอยู่แั้นแหละแต่มันก็ยังฝืนสู้ฝืนสู้ไงฝืนสู้อยู่เรื่อยๆทุกข์มาทุกข์ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์นะ บอกได้เต็มๆว่ามันผ่านความทุกมาจริงๆแต่เป็นทุกที่ถูกกำหนดรู้แต่ละขนาถูกกำหนดรู้แต่ละขณะและความทุกแต่ล ะ, ละครั้งมันไม่ได้ทําให้มีความรู้สึกมีความหวังอะไรเลยในข้างหน้าสักนิดหนึ่งมีแต่จะถอยจะถอยจะถอยถทอนั่นเองนะพู ด, ดง่ายถ้าไม่ทุกมันจะพอเหรือใช่ไหมครูอบอกเป็นพระมันจะจะมีความพออะไรพระจะมีความทุกอะไรอาหารโยมก็ออกมาให้กินงานงานอะไรก็ไม่เคได้ทํา จะมาทุกอะไรเอ้ยลองมาบวดเหวะอยากจะที่รู้กันว่าทุกอย่างไงใ่หม่ทีนี้โอ้โหมันแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่นอแน่นอแน่ยงไงแต่มันอนาคตข้างหน้าเจะทำไปทำไมเรเินจงกรมไปทำไมั่งสมาธิไปทำไมก็ไม่เห็นมันจะได้อะไรอย่างอี้ลก็เห็นแต่เจอแต่ความปุความปุ สุดท้ายแล้วผ่านวันผ่านปืนผ่านเดือนผ่านปีไปเอา้าวันนี้มันยังผ่านมาได้ไอ้ที่เรียกว่าทุกแถบตายมันยังผ่านมาได้วันเนี้ยมันก็พ้นไปแล้ววันต่อไปทําไมมันจะไม่พ้นอลองตั้งใจดูที่นี้่ทุกแบบเมื่มอวานไหมเอาทุกแบบเมื่อวานหนักกว่าเมื่อวานไหมเอานักเข้าเมื่อวานก็ยังเข้าเมื่อวานอยู่ยังไม่เกินเมื่อวานเนี่ยออกเมื่อวานยังผ่านมาได้วันนี้ทำไมจะผ่านไม่ได้ก็ผ่านไปที่นี่วันผ่านไปผ่านไปผ่านไป ไอ้ไอ้พอความทุกข์ที่บีบคั้นที่มากไปลด ล, ลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงมันถูกรู้จากเราลดลงลดล ง, ลดลงลจนที่สุดแห่งทุกข์เกิดขึ้นเขาเรียกว่าทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบอันนี้คือทุกข์ ด, กดับทุกข์ก็ดับทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ก็สืบต่อทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าการทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบผ่านมาผ่านมาเอาครบปีแล้วนี่ก็ทำไามมันผานมาได้ว่าครบปี ก็อยู่ไปอยู่ไปอ่ะสองปีแล้วเนอ่ะสามปีแล้วสามรันายแล้วดีกว่าก็อยู่มาอยู่มาก็โจอุวนันนี้หาความผูกในใจไม่เจอเลยทีนี้รู้ปัญหายไปไหนสงสัยหายไปกับการเวลาการเวลาเนี่ยถ้าเราถ้าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจมันมันมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่แท้จริงในชีวิต ที่พระเจ้าสอนบอกให้รู้ทุกเนี่ยคือความจริงเป็นสัจจ์รู้เหตุให้เกิดทุกเพรั้กนก็เป็นสัจจ์รู้ความดับไปของทุกแต่ละวันแต่ละวันที่มันหมดไปดับไปดับไปอ๋อมันก็ยังดับไปได้นี่หรอทุกมไม่ใช่จะมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันดับได้ต้องไปกลัวอะไรสิ่งที่มันดับได้เกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาตอนเกิดขึ้นก็ยอมอดทนกับมันหน่อยแค่นั้นเองฝืนใจไปฝืนใจไปฝืนใไปฝืนมาฝืนมาฝืนไปฝืนฝืนฝืนทำเดียวที่ทําให้ตมาอยู่ได้ตลอดก็คือฝืน ท่าที่ท่อแท้ออนแอจะถอยจะออกจะสุดดูไม่มีวันไหนที่ไม่คิดว่าจะสุดแปลว่าเอภาพเนี้พระอาจารย์รู้ชักก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่<ช>าพระอาจารย์อยู่ตรงนี้ได้<ช>และถ้ภาพอีกเนี้ยพวกผมเนี้ยทําได้ เ, เหมือนกันแบบเดียวกันจะผมไม่ได้ถือสินไม่เกี่ยว ไ, ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไปฆ่าใครที่ไหนอีกเนาะ เดี๋ไปลักของใครศีลมันมีบทบาทอยู่แล้วในจิตในจิตนั้นเพราะโกริแล้วทุกคนเนี่ยคือคือผมเอ่ยวังว่าเขาต้องได้เงินมากขึ้นก็ได้ก็ได้ ไ, ดไปนี่เห็นเป็นไรเลยผู้ไดเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนี่ผู้ไเจา้าห้ามนางวิสาขาทําธุรกิจหรือเปล่าในค ร, รั้พุทธกาลโรงงานานางวิสาขาเป็นพันน่ะมีลูกน้องบริวารเป็นหมื่นกว่าคน แถมนางยัง <One> ต <input> ้องต่อพิธต to <together> ่องานราชการกับพระเจ้าประเศียรที่กลัวสนอยู่บ่อยๆขอให้งานนี้ผ่านขอให้งานนี้ผ่านเอาเงินไปยัดอีกทธิหารอันนี้อาตมาเพิ่มเติมเอาเองก็คือทงสวยนั่นแหละเขาเรียกเอาเงินไปยัดคือภาษาอันนั้นน่ะคือเสียภาษีหรือเสียอะไรก็มาว่ากันไปนั่นแหละที่แท้แล้วก็คืออันนั้นอันนั้นอันนสังคมที่เราเป็นอยู่กันนี่แหละมันมีอยู่แล้วมันมีโดยปกติ เป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีหมดจักโลกหรอกนะเขาจะอย่างนั้นปรากฏ ว, ว่าพวกอมมาหมัดทั้งหลายกันกีดกันไว้ไงอาหมัด ก, กีดกันไม่ใหงานนางวิสาขาผ่านไงไม่ส่งเรื่องนี้ไปถึงพระเจ้ากระสินที่กลศลเพราะอะไรเพราะเรื่องการเมืองนี่แหละว่านางวิสาขานับถือพระพุทธเจ้าอมมาหมัดพวกนี้ไมาได้นับถือพระรัตะนตรัยไงนับถือลระที่อื่นไงแค่กีดกันกันสามครั้งสามบาละไม่ผ่านนางวิสาข า, ขาก็เศร้าใจเสียใจเดินมาผ่าน เชตาวันเนี่ยไหนๆก็ผ่านวัดแล้วไปกราบพระพุทธเจ้าซะหน่อยก็ไปด้วยความทุกข์ใจนพอก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพี่เราก็บอกที่สาขาทําไมาสีหน้าเศร้าซร้อยเศร้หมองจักเป็นทุกข์ใจอะไรเยอะก็ปรับทุกข์กับพระพุทธเจ้ากับเรื่องนี้แหละเรื่องงานนี่แหละพุทเจ้าก็เลยเตือนสตินางที่สาขาวิสาขาการงานที่ไม่เป็นไ ป, น ป, นปนตามอํานาจก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละ จะไปทุกข์กับมันทํามาอีกอะไรอย่าเงี้ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วอะไรคิดมันเราควบคุมไม่ได้คอนโทรลไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ในตัวของมันอยู่แล้วจะเป็นทุกข์กับมันทํามาอีกได้สปิดขึ้นมาก็ไม่ทุกข์้วปล่อยมันผู้พูดพเจ้าไม่ได้ห้ามเราวปอย่าไปทําการงานนั้นอันนี้ผู้พูดพระเจ้าไม่ให้ทํากุธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความบันขยันพเพียงใช่ไหมล่ะเราเข้าใจพุ้นฐานิดซันโดดจะต้องไม่ไม่โลภ ใช้ธรรมะมีผิดไปหมดเลยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหาคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในโลกนี้ในระดับชาวบ้านหาดูสิไอ้คนที่ว่าไม่โกรธแต่ทำไมว่าไม่ชื่อไม่มีหรอกเนี้ยมั้งแม้แต่พระอรหันต์เขาบอกพระอาจารย์ยังโกรธไม่โกรธที่ว่าทำไมยังไม่โกรธเอาท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านยังจะโกรธอยู่ทำไม คือสภาพของความโกรธเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่แสดงต่อสิ่งที่เข้ามาผัสสะเหมือนอาตามาฉันนำร้อนจะไม่ให้อาตามาร้อนปากเนี่ยได้ไหมล่ะก็อะไรก็ตามที่คอามาสผัสสะมันอารมณ์เป็นอารมณ์ของโกรธก็โกรธไงแต่ผู้โกรธมันไม่มีในนั้นเอาความร้อนเนี่ยผู้ร้อนมันไม่มีมันมีแต่อาการร้อนผู้โกรธมันไม่มี หมาว่าพระอาจารย์ไม่รู้ชัดใช่ไหมครับฮะหมายว่าพระอาจารย์รู้ชัใช่ไหมครับพ่าไม่มีมันมาถูกพวกนี้มันต้องถูกเรียนรู้อยู่แล้วมันต้องศึกษาอยู่แล้วศึกษามาก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันจึงเกิดผลอย่างนี้มันจึงเป็นความเข้าใจไม่งั้นลูกตามมาหาบัวก็ใช่ไหมหละ่ะที่ดาชาว บ, บ้านที่ฝ่ายไปวอดดาลูกศิษย์ดาลูกหาดาแม้กระทั่งนักการเมืองนั่นแสดงว่าท่านก็ยังมีกิเลสเต็มเข้าใจอยู่นี่คือการที่เราไม่เข้าใจหลักหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้จริง เราไม่เข้าใจเราก็จ ว, ว่าการปฏิบัติธรรมจะต้องไม่โลกเข้าวัดไปโน่นไปอยู่ในที่สมาทานไปอยู่ในที่วิเวกไปทำตัวกอนไปทำตัวแบบฝืดเคืองไปแบบไปอยู่แบบ ก, ก, กินอยู่ยางไรก็ได้แบบมันทุรักกันดนันมันลำบากเรไม่เข้าใจอย่างน้นครูเจ้าบอกว่าบุคคลจสาบุคคลสามจำพวกมีอยู่ในโลกหนึ่ง บุคคลที่ทําตัวปอนปอยู่อย่างยากลําบากไม่ได้บรรลุกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เข้าใจว่าการทําอย่างนั้นจะ บ, บรรลุกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไม่บรรลุกุศลธรรมและไม่เข้าถึงอุตริมรุษธรรมเขาควรถูกตำหนิสามสามประการตาหนิว่า 1. ทําตัวเองให้ลําบากลาสองกุศลธรรมก็ไม่ได้ 3. อุตริมรุษธรรมก็ไม่เกิดไม่เกิดก็คือไม่มีประโยชน์อะไร สามถักสามประการจำพาะที่สองคือทำตัวเองให้ดูแบบปอนปอนนะูแบบปอนปอนดูแบบสันโดษเนี่ยได้บรรลุกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือสม า, าธิในสมาธินั้นเป็นกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่บรรลุถึง อ, อุตลิมมุตุสถอย่างเงีงย้ยูแบบปอนปอนพระเจ้าก็บอกว่าเขาจะถูกตะมีไว้สอประการตะมีว่าหนึ่ง อยู่แบบปอนๆแล้วได้เพียงแค่กุศลรธรรมแต่ไม่บรรลุถึงอุตริภูมุสธรรมคือคุณวิเศษไม่เกิดขึ้นงไงก็ต้องถูกตำหนิสประการกลับอีกบุนคคลหนึ่งอยู่แบบปอนๆเข้าถึงเข้าถึงกุศลธรรมคือบรรลุสมาธิแล้วก็เข้าถึงอุตริภูมุสธรรมคือคุณวิเศษเขายัอมถูกตําหนิประการเดียวคืออ ย, อยู่แบบปอนๆ ยังถูกตำหนิ อ, อยู่นะคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช้หลีกหนีออกจากความเจริญแล้วไปอยู่ในในใ น, ในสถานที่ที่มันไร้ความเจริญอย่างนี้ไม่ใช่มันมันเป็นเรื่องความเข้าใจแต่การไปโน้มใจไปสู่ความวิเวกนั่นแนหะอันนี้จะเป็นใช้ความวิเวกกันเป็นถามว่า กาบเรียนครับผมค้าขายจะโกหกหรือบอกตรงๆจะผิดศีลไหมเหรอในความหมายนี่คิดว่าก็เขียนนะจะผิดศีลไหมใช่ไหมบอกไม่ครบไม่ทั้งหมดอย่างมันไม่ มันมั น, ม, น, ม, น, ม, น, ม, นมันต้องไปดูว่าคําว่าโกหกเนี่ยโกหกมันเป็นความผิดโดยสถานเดียวใช่ไหมครับแล้ว่าโกหกเนี่ยเป็นความถูกต้องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะแล้วถามว่าโจรขาวแดงซึ่งฆ่าคนตายเป็นเบื่อเลยมีจิตใจคุณมองเศร้าเศร้ามองคุณม่วน เมื่ออายุมากแล้วไม่สามารถที่จะฆ่าใครได้ไม่สามารถที่จ ะ, ค, าาจะคือเขาตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในการตัดศีสันเป็นนายพิชชาติทางราชาการจริงๆเขาเมันโจรเพราะโจรนั้นมีมากมีเยอะจนไม่มีใครสามารถที่จะตัดคอโจรนั้นให้หมดสิน้นเขาจึงตั้งขึ้นมาว่าในบรรดาพวกโจรทั้งหลายทั้งหมดที่ถูกจับมาเนี่ยใครสามารถตัดคอโจรพวกนี้ได้หมดสิน้นจะตั้งให้เป็นนายพิชชาติจะไว้ชีวิตไอ้ขาวแดงนี่ก็มีกําลังมากนีง สามารถตัดคอโจนที่เป็นพรรคพวกเดียวกันได้ตายหมดสิน้นโจรคนอื่นทําไม่ได้นะไงไคนนี้มันทําได้พอข้าหมดสิน้นเขาเลยตั้งให้เป็นพิจารณาใครเป็นโจรก็นํานมาสู่การฆ่าไอ้คนนี้ก็ตัดคอตัดคอทามจนคือปกติตัดคอฉับเดียวขาดจนอายุมากขึ้นกําลังถดถอยลงตัดฉับเดียวไม่ขาดต้องสองฉับมันเลยทําให้โจรมันมันมันดิ่นกระเดีากระเดียผู้รนทุรไล ใจแกก็มันแบบเขาเรียกว่าใจขุ่นมัวใจแบบยอมรับอย่างนั้นไม่ได้คือฉับเย่ขาดก็คือมันไม่ทรมานมากแต่พอไปเห็นความทรมานแล้วใจมันยอมรับไม่ได้ก็เลยขอลาขอลาตาแหน่งนี้นะคนบุญบ้าเนอะเงี้ยทีพอขอลาออกมาปับ๊บก็เลยอยากจะทําบุญภาษาลิบุตรไปบินนบาัตไปบินนบาัตก็เลยโยนภาษาลิบุตรจัดอาหารถวายภาษาลิบุตรก็ จะแสดงธรรมให้ฟังจนข้าวดียวกบท่านจะแสดงธรรมเลยจิตใจของพข้าพูงยังขุ่นหัวอยู่ข้าคนมาเยอะนึกถึงแต่บาป ก, กรรมที่ตัวเองเคยตัดคอคนเห็นแต่ภาพ ก, กันการตัดคอ <c oughs> เห็นแต่คอขาดเห็นแต่เลือกเต็มรานประหาร <c oughs> คือไม่มีกรจะดิกใจะอย่าฟังธรรมอย่าพิ่งแสดงธรรมเลยภาษารีบุก็เลยให้ให้อุบายรวงจิตรวงจิตให้ให้เปลี่ยนอารมณ์คือโกหกเราพูดง่าย ว่าจนโกหกจนขาวแดงอะไรว่าการที่ท่านได้ฆ่านั้นแหะท่านได้ฆ่าด้วยเจตนาของตนหรือมีผู้สั่งให้ท่านไปตัดคอเขามีผู้มาสั่งให้ไปตัดคอการที่ท่านได้ตัดคอเขาโดยมีผู้มาสั่งนั่นแหะบาปไม่ตกกับท่านหรอกบาปตกกับผู้สั่ง <c oughs> คือพผลาัดช้า ดีใจแล้วทีนี้บาปไม่ตกกับเราเว้ยดีใจพี่เท้าตัวเองคำบาปไปแล้ว่ะนะดีใจว่าตัวเองไม่ไม่ไม่ไมบาปใจผ่องใสขึ้นมาสาธุบแสดงทำให้ฟังบรรลุธรรมเป็นสวนหนึงเขามีสีหรือยังี่ครฮะก่อนหน้านั้นมีสีหรือยังยัง เ, เอาใจผ่องใสไงไเอามแล้ว ใช่มันไม่ชอบไม่ไ่ใช่วัด ป, ปานอาทิตปาตาเวลมานีศีขาปะทางสมาดิยามีจึงจะมีศีลไม่ใช่อย่างนั้นขยายยังเที่ว่าศีลก็ว่าปกตินะฮะเขาจะแปลว่าอย่างไรก็ได้แต่ตัวของศีลที่แท้จริงคือเมื่อเว้นจากการฆ่าแล้วไม่ได้เป็นผู้ฆ่าแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ฆ่าไงไปงเจออารมนั้นผู้เจ้าเลห์อยู่กับปัจจุบันไงไม่ใช่เอาเรื่องราวที่เป็นอดีตมามาทําร้ายกั้น ความเจริญและการพัฒนาจิตของตัวเองที่จะไปสู่คุณงามความดีนีอันลรื่อแล้วก็แล้วไปดิหากไปมัวติดอยู่กับกรรมที่ตัวเองการทำแต่อดีตซ่อ้หมองเศร้าหมองก็ซ่อ้าหมองจริจิมันก็กั้นจริงๆก็พัฒนาจิตไปไม่ได้จริงๆมันก็จมปักมันก็ถูกครอบงาด้วยอารมณ์เห่านั้นแต่ผู้ทีศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาไม่ไม่เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเลวซ้างแค่ไหนก็ไม่ไเกี่ยว ใครจะจำภาพของโจรขาแดงนี้ว่าเลวแค่ไหนก็ตามก็เรื่องของความพอผลที่จำอันนั้นเป็นคนคนนั้นคนที่ไปจําภาพแห่งความเลวนะไปสร้างกรรมไว้เฉพาะตนเองต่า ง, งหากไปจดจําความเลวของเขาไว้แล้วไปเพ่งโทษเขาอาสว ะ, จะเจริญอันนั้นเป็นเรื่องเฉพาะเขาเฉพาะคนอื่นไปจําไว้หรือไปจําองคุริามานว่าไอ้เลวเนี่ยเ <c oughs> นี่ยแต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเขาเลวเพราะการขระางนั้นตอนนี้เขาเป็นพระอริยบุคคลใช่ไห จนขาแดงเป็นภาระยะบุคคลคือล้นวนจิตทีนี้นว่าค้าขายอยู่เนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่ต้องโกหกก็โกหกไ้ทีแต่ต้องยอมรับผลของการถูกโกหกคืนส่วนการสมาทานศีลก็สมาทานหลังจากที่ไม่โกหกแล้วก็งดเว้นแค่นั้นเอง เขาก็บอกว่าเอาถ้าทำอย่างนี้มันก็น่าไห้หลังหลอกเลยคือ <c oughs> ถ้าเราจะอยู่กับความเป็นจริงนะผู้เย้าทรงตัดสอนศีลสมาธิปัญญาที่เป็นตัวปัจจุบันไม่ได้ตัดศีลสมาธิปัญญาที่ล่วงไปแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้น <c oughs> ไม่ได้พูดถึงศีลที่ล่วงไปแล้วศีลที่เรารักษาในคราวครั้งนั้นก็เป็นศีลในคราวครั้งนั้นกูสวดจิตเกิดขึ้นในคราวครั้งนั้นก็ดับไปในคราวครั้งนั้นมันมันไม่สามารถมาเป็นศีลในคราวครั้งนี้ พออย่างไหมบาปในข่าวครั้งนั้นโกหกในข่าวครั้งนั้นก็เป็นโทษของการโกหกในข่าวครั้งนั้นก็ดับไปในข่าวครั้งนั้นมันไม่ได้มาเป็นการโกหกในข่าวครั้งนี้คือไม่ได้เป็นโทษในข่าวครั้งนี้ครั้งนี้ถ้าเราไม่โกหกมันก็คือไม่ได้โกหกมันไม่ใช่มาโกหกครั้งนั้นแล้วจะมาเป็นโทดของการโกหกในครั้งนี้มันกมันพละครั้งค น, นละขนาดคนละวาละถ้าเป็นอย่างนั้นคนโกหกปั๊บเนี่ยก็คนนั้นเป็นคนโกหกตลอดชีวิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองได้เลย อันนั้นก็เป็นอัตตานทิธินะความเห็นว่าเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเข้าใจไหมอัตตานนทิธิเกิดขึ้นเมื่ออัตตานทิธิเกิดขึ้นบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะทำตัวเองพ้นจากวิบากกรรมได้เลยเพราะจะเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นตลอดเป็นอัตตาหรือเป็น ส, สัจธรทิฏฐิคิดว่าเที่ยงแน่นอนคงที่โกหกผลของการโกหกมีหมมีแต่ด้วยความที่ ขนาแห่งความโกหกดับเราต้องสร้างเหตุใหม่ได้สร้างเหตุแห่งความไม่โกหกใหม่ได้สร้างอยู่ความจริงได้ถ้าจะมองในแง่หนึ่งก็คือการหน้าไหว้หลังหลอกงั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ใครจะมองจะมองภาคเป็ไงก็ได้ทางพุทธศาแต่เป็นเรื่องของปัญญาพี่ใจญ่อกเป็นเรื่องของปัญญารู้ขนะว่า <c oughs> ค้าขายกับการบอกทั้งหมดผมว่าน่าจะเป็นการค้าขายเนี่ยถ้าผกถ้าเป็นผมค้าขายเนี่ยเพรว่าซื้อส้มมาต้นทุน20บาทเรามาขาย30บาทไอ้30บาทเนี่ยก็คือขายน้ำมันขาลมขาแร ง, ง, งต่างก็ขายได้ราค า, า30บาทถามว่าโกหกคุยทำไมขายแพงอันนี้บอกไม่ได้จริงๆก็ผมว่าผมว่าลักษณะนี้น่าจะหารำตอบอได้นะมันมันไม่ใช่การโกหกเราตั้งราคาไว้แล้ว สมมติว่าซื้อมายี่สิเอามาขายสาแสิบก็ตั้งราคาไว้แล้วสาสิบหากพอใจในราคาสามสิบซื้อในราคานี้ก็คือเป็นความพอใจของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมันจะเป็นการปกโปกันไม่ได้ใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าบอกทำไมขายแพงก็ราคามันมาอย่างนี้ก็ที่มาของราคาัามาได้อย่างนี้พอใจจะซื้อในราคานี้อาจจะลดไม่ได้บ้างอันนีค้คือความต่างหากที่นี่เป็นการตกลงกันต่างหาก ใ, ในคนละเจ้าใช่ไหละ่ะ แต่ละเจ้าแต่ละเจ้าที่จะตกลงกันเองว่าจะลดราคากันเท่าไหร่มันเป็นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่ตั้งราคาไว้เท่านั้นมันโกหกที่ไหนก็ราคาเขียนไว้สามสิบถามว่าเอ้าถ้าราคาเขียนไว <c oughs> ้สามสิบเราขายยี่สิบได้ไหมขายยี่สได้โกหกไหมล่ะฮะอาจจะเป็นว่ามันก็ว่าตั้งราคาสามสิบทุนยี่สิบแล้วเราถูกต้องทุนยี่สิบบาท <c oughs> ตั้งราคาไว้สามสิบบาท เมื่อราคามันบรรับรู้ไว้ที่30สบาทมันไม่ได้บรรับรู้ที่ยี่บาทเพราะไอ้ยี่ิบาทเรารู้ของเราแต่เรามูกล่ำรู้จากคนอื่นวาสา30บาททั้งหมดแค่แม่หลับผู้ที่จะมาซื้อรับรู้ว่าสามสิบาทคนซื้อ30สบาทคนนั้นซื้อ30สบาทคนนี้ซื้อ30สบาทคนนั้นซื้อ30สิบาทแต่คนนี้มาบอก30สบาทแพงก็คือเขาเขาว่าแพงเขาต่อราคาแล้วเราก็ไปบอกว่าโอ้มาแค่ยี อันนั้นอันนั้นเราโกหกใช่แต่ถ้าเราถ้าเราบอกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าก็ราคานี้เขาขายกันราคานี้อไงที่สามนี่คงจะเป็นลักษณะเนี้ยครับเพราะว่าตัวเองรู้ว่าทุนของวเองยี่สิบแต่ไปบอกแต่ทำไมที่เยอะเพรานั่นโกหกแต่ถ้าบอกว่าอันันราคานี้อยู่แล้วก็ขายราคานี้อถ้าถ้ามันถูกรับรู้ที่สามสิบาทปั๊บเน่ยได้คนนี้บอกว่าขอต่อรองราคาได้ไหมขายยี่สบห้าได้ไหมถ้าเราบอกยีิบห้าโกหกไม่ได้เหอไ โกหกใครโกหกคนที่เคยซื้อไปแล้วนั่นสาิบาทแต่จริงๆแล้วไม่ได้โกหกหรอกเป็นการลดราคาเป็นการยอมรับร่วมกันว่าราคาตอนนี้เป็นที่พึงพอใจของกันและกันไม่ได้โกหกอจะบอกมันเป็นเฉพาะชากเฉพาะคนอันจะบอกว่าถ้าซื้อมากกว่านี้สิบโลขึ้นไปจะลดให้สนใจไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาซื้อแค่โลเดียวเราก็อยู่ในใจอยู่แล้วคือปัญหาเราเนี่ย ถ้าเรารู้ว่าเราโกหกแล้วจิตอย่าไปขุ่นมัวกับเรื่องที่โกหกนั้นพอแล้วตกไปให้มันให้มันละไปมันล่วงไปมันดับไปมันหมดไปถ้าจิตไปคล้องอยู่อันนี้คือโทษแต่ถ้าจิตไม่คล้องก็ก็แล้วไปแล้วนะมันก็เป็นเพียงฉากเดียวใช่มันเป็นฉากหนึ่งขนาดหนึ่งที่ล่วงไปละไปดับไปมันไม่ได้มันไม่ได้ต่อเนื่องมาเกี่ยวกับพวกหลอกขายใชคะถ้ามันปอมเราบอกยิง แม้จะหลอกคนอื่นได้แต่มันหลอกใจของตัวเองไม่ได้เข้อใจตัวเองไปจดจําเรื่องเหล่านั้นไปแล้วแล้วเรียบร้อยแล้วจะจดจําแห่งการกระทำนั้นเรียบร้อยแล้วเพระาะะฉนั้นหากเราสามารถสลัดหรือวางหรือทาความเข้าใจในขณะนั้นแล้วเรียบร้อยมันมันก็ตกไปมันก็ล่าไปขณะนั้นคือเป็นเรื่องของขณะนั้นคือการเลี้ยงชีพทุกอาชีพไม่มีบากเลยไม่มีหรอก แต่เราจะมีปัญญายังไงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ปัญญาตั้งหากคือสิ่งที่มีความสําคัญปัญญาคือสิ่งที่อยู่เหนือบุญเหนือบักปัญญาไม่ใช่บุญปัญญาไม่ใช่บักแต่เกิดจากจิตที่เป็นบุญเดีนแะล้วพ่อจปัญญากับจิตเนี่ยคําว่ารู้ชัดเนี่ยเกิดจากปัญญาหรือเกิดจากกิตครับรู้ชัดก็เป็นปัญญาที่เกิดจากจิตจิตรู้ชัดได้จึงเกิดปัญญา ปัญญาเป็นตัวเกิดเป็นผลผลิตกอจกจากจิตเป็นคุณสมบัติของจิตที่ถูกสร้างขึ้นจากการรู้ชัดอันนี้ปัญญาปัญญามาพร้อมกับจิตไมพระอาจารย์ไ ม, <ๆ>ไม่ไม่พร้อมจิตต้องรู้ชัดก่อนจึงก่อให้เกิดปัญญาได้แต่ว่าปัญญานี่ต้องมีการแผ่แต่การเรียนรู้มาก่อนใช่หมายถึงว่าจิตเรียนรู้ สิ่ง น, นั้นแล้วเข้าใจชัดแล้วเกิดความรู้แจ้งแจ่มแจ้งในสิ่ง น, นั้นแล้วหมายถึงว่าเรียนรู้ขณะจิตของตนเองในขณะที่จิตกระทํากระทาลงไปแล้วดับปึ๊บเห็นการดับขณะแห่งการกระทํานั้นเห็นการเกิดขึ้นและเห็นการดับทั้งของกุศลและอกุศลปึ๊บปัญญารู้แจ้งในขณะนั้นว่าขณะนั้นร่วงไปขณะนั้นดับไปขณะใหม่คือขณะใหม่พอเข้าใจยัง อันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่เกิดปัญญาแล้วแต่ถ้าจิตดวงใดไม่เกิดการเรียนรู้ก็จะติดอยู่ในขนาดเองการกระทำนั้นมา่าตนเองกระทำบาปเนี่ยเหมือนกระถามมาเนี่ผมผมผมชื่อว่าเป็นการโกโหกไหมพอสมัยไงแต่ถ้าปัญญารู้ชัดแล้วก็โกหกป่ะทำไมโกหกก็คือโกหกก็ยอมรับว่าโกหกแค่นั้นสมัยมที่อาตมาอยู่รุ่คมุขคำสุขเนี่ย เวลาท่านให้ทําข้อวัดบางอย่างนะข้อวัดบางอย่างที่เป็นการละเมิดพระบีไนแต่ท่านไม่ได้บอกให้อตาตมาละเะว้นพระบีไนนะแต่ท่านบอกให้อตาตมาทําข้อวัดกิ่งไม้มันหักลงทับถนนที่จะเดินไปบิณฑบาตหักลงมันหักไม้ขาดจากลําต้นมันยังคากันอยู่อตาตมาก็ถือว่ามันยังไม่ขาดจริงถ้าเราไปดึงมันลงหรือเอามีดไปฟันก็จะเป็นการทําลายพืชของเขียว เป็นปูตาขามาวัดผิดเพราะมีไหนข้อนี้อาตมาก็ไม่ทําก็ถูน้องปูดามึงไม่ทําข้อวัดไม่รู้จักข้อวัดไม่รู้จักรักษาวัดไม่ทําวัดปฏิปทาวัดาดาดาจนอาตมาก็จําเป็นต้องทำแบบนี้ดึงให้มันขาดเอามีดไปฟันให้มันขาดตัดให้มันขาดแล้วก็ลากออกจากถนนปัดกวัดล้างตรงนั้นให้สะอาดให้เปียงเออนั่นแหละท่านบอกทําข้อวัด เสร็จแล้วนั่นก็เรียกไปมามาแสดงอาบัตท่านก็ว่าท่านกำลังสอนอาตมาให้รู้จักว่าทำผิดให้ยอมรับผิดมันก็ตกไปไอไอการที่เราไม่ยอมรู้จักยอมรับว่าตัวเองทำผิดแล้วเนี่ยมันเลยไม่ตกสัทีมันเลยเกิดเป็นความสงสัยอยู่ในจิตไงเขย่ายังผิดนี่ผิดผิดผิดผิดอีโก้มันเป็นบาปหรือไม่บาปบาหรือไม่บาปบาปก็บาปจะเป็นไร ก็บแต่ก็ต้องยอมรับยอมรับมันก็อิโกโ้แค่นั้นแม่รครับใจครับคือสุดท้ายเนี่ยไอ้ตรงเนี้มันจะมีจิตสุดท้ายที่ส่งไปพวกอื่นเนี่ยท่าจิตที่มันมีคุณสมบัติทางปัญญาแล้วมันจะเข้าใจชัดในสิ่งที่รับไปร่วมไปดับไปโหดไปสิ้นไปมันจะเห็นความไม่เที่ยงคือความไม่คงที่ไม่เล็มไม่ความตั้งอยู่อย่างท้าววของสิ่งนั้น เมื่อมีความเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความตั้งอยู่โดยถาวรของสิ่งนั้นนั้นแล้วมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะถ้าเราไม่เห็นความจริงของความไม่เที่ยงมันจะเกิดเป็นสัตสัตทิฏฐิคําว่าศาสัาทิฏฐิคือความเห็นว่าบาปมีอยู่อย่างนั้นบุญมีอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าบาปมีอยู่อย่างนั้นบุญมีอยู่อย่างนั้นคนทําบุญก็ทําทีเดียวพอเลยไม่ต้องทําอีกเพราะบุญจะคงอยู่อย่างนั้นไปตลอดไม่ต้องทําอีกเพราะมันจะมีอยู่อย่างนั้นพ่ะเจ้าอย่าง สัตตถทิฏฐินี่คืออันตรายมากความเห็นว่ามีอยู่อย่างนั้นแต่ผู้ได้เจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะมีอยู่ชั่วขนาดนั้นคือขนาดที่มันมีอยู่มันเกิดอยู่นั่นแหะแล้วมันกระดับปัญญาอนลุชชัทอย่างนี้แล้วปั๊บเนี่ยจะยึดความเห็นอันถูกต้องอันเป็นสมาธิฏฐิเนี่ยแล้วสลัดออกจากการยึดถือว่ามีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นสัตตถทิฏฐิก็หายไปอตานุทิฏฐิก็หายไปเหลือแต่ปัญญาอันลูชชัทใครยัง คตินิมิตที่จะเกิดขึ้นก็เห็นแต่อดีตอย่างคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยง ม, มีทิศทางเดียวคือสุขติสวรรค์เท่านั้นบุคคลที่มีปัญญารู้ในความไม่เที่ยงเนี่ยมีสุขติสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นอย่างาการโกหกเนีเป็นอคติสุรกรรมก็เพียงแต่รู้ว่าอ๋ออาตมาเชื่อแน่นอนว่าเราไม่มีใจอยากจะโกหกกันหลอกแต่การค้าขาย มันทําให้ต้องทําอย่างนั้นวิถีชีวิตของคนอะไม่มีใครอยากจะฆ่าแต่วิถีชีวิตความเลี้ยงชีพที่จะต้องอยู่ในวิถีของการฆ่ามันมีอยู่ชาวไร่ชาวนาที่เขาใช้ชีวิตกันเนี่ยผู้ได้จ้าก็ไม่ได้ห้ามแต่พระองค์บอกว่างดเว้นได้ไหมหลักแปดข้ามกับสิบห้าข้ามนะในความหมายเนี่ยก็ลงมาหนึคือวิเคราะห์ทำต้องวิเคราะห์ลงให้มันสู่หลักเกณฑ์ที่มันเป็นความจริงที่เป็นจริงผู้ได้จ้าไม่ได้พิเที่ยวห้ามใคร ย า, ายาฆ่าสัตว์ยารักทรัพย์ไม่ได้ห้ามแต่ถ้ารู้จักงดเว้นได้แลื่อดเว้นได้เป็นนิติศีลได้ยิ่งดีโพงไว้เนี่ยแล้วถ้ามดเว้นได้ น, นิติศีลเข้าสู่อริยาการตัดสินศีลที่พระอริยเจ้าพอใจก็คือศีลแปดได้ยิ่งประเสริฐโพงก็จะสรรเสริญไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนั่นหมายถึงว่าโพงพยายาม ด, ดันๆเข้าสู่กุศลธรรมในชั้นเบื้องต้นก่อนอันพอที่พอทําได้ก่อนเมื่อทําอันเป็นกุศลธรรมอันพอทําได้แค่8ข้ามตัดสิข้ามเนี่ยเขาจิตเขาจะถูกปุงแต่งเพื่กุศล ในขณะที่เขาไปเข้าสู่การลดเว้นในการรักษาศีลนั่นแนหะใน8ปดข้กับสิบห้ามเนะ่ยเขาอาจจะมีการได้ยินได้ฟังทำแล้วการที่ได้ยินได้ฟังทำอาจจะปรุงแต่งใจเขาให้สูงขึ้นเพื่อที่จะน้อมนําไปสู่การงดเว้นแล้วงดเว้นอีกงดเว้นแล้วงดเว้นอีกจนเขาเบื่อไหนที่จะอยู่กับวิถีของการฆ่าการละ ก, การประพฤติผิดในควาก่อการโผงเขาเ<ๆ><ๆ>ข้าสู่กุศลและทำยิ่งขึ้นไปได้อีกแต่ทีนี้เราบอกว่าห้ามปุ๊บเนี่ยทีเดียวเนี่ย กูจะกินอะไรวะชาวบ้านเพราะกูยังต้องไปตามที่ไร่ที่นานกูอยู่เนี่ยกูยจะกินอะไรกูต้องแสวงหาสัตว์มาเลี้ยงชีพอยู่เนี่ยจะให้ว่าอย่างไรชาวพอบองเขาจะอยู่รันอย่างไงรผู้เจ้าจึงบอกว่าศีลเนี่ยต้องรู้จักฐานะของผู้ผู้รับด้วยว่าเขาพอใจที่จะรักษาหรือไม่พอใจไม่ใช่จะไปบังคับให้เขารักษาศีลไม่ได้ภาษาริบุญเนี่ย ไปให้ศีลกับชาวประมงใช่ครับคิดว่าผู้ได้เจ้าคงสรรเสริญเราแน่เปเล่าให้ผู้ได้เจ้าฟังเล่าหรือเปล่าเรื่องนี้ถึงหูผู้ไดเจ้าอมีเรื่องนี้ถึงหูผู้ได้เจ้าว่าภาษาลิบุตรไปให้ศีลกับชาวประมงแทนที่พระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าว่าไงไปไปห้างของได้ยังไงเพราะว่าเขาใช่เธอให้ศีลแก่บุคคลผู้ไม่พอใจในการรักษาไม่ได้เขาอยู่ในที่ที่ต้องการฆ่าสัตว์ะ เธอไปห้ามเขาทำไมเขารับศีลเพราะความเกรงใจเขาไม่ได้รับศีลเพราะมีศรัทธาแค่เธอสอนให้เขานับถือพระรศษฎรก็พอแล้วก็การที่เขานับถือพระราษรก็เพียงพอแล้วต่อเขาที่จะไปไม่ไปไม่ไปสู่อว<ช>บญญายภูมันเพียงพอแล้วแต่จะไปห้ามชีวิตเขาอยู่กับการค่าไปห้ามเขาทำไมตาหนิกระพุทธเจ้าหนินข้ารีบุตรใช่ไหมใช่ครับพระเจ้าบอกว่าเธอให ศีลแก่บุคคลผู้ไม่ควรค่าแก่การรักษาหรื อ, องไเงเนี่ประมาณเนี้รู้สึกว่าท่านแต่แต่ว่าการทำหนึ่เนี่ยท่านจะทำหนีถาว่าแรงไว้ก็แรงในคำพูดแล้วนะในประโยชน์แต่ก็ยังแรงไม่เท่ากับอ่าพัด ท, ทั่วไปที่ทำหนว่าเป็นโคเป็นหม่เข้าบุหรุบุหรุเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ทำหนีไม่ทำหนีแรง น, นะท<ะ>ำหนีเพียงแค่ว่าที่เธอทํายังไม่ถูกต้อง ที่ทำให้ป่วยมากเลยสร้างแต่ปัญหาใช้ก็ขี้เหรอครับเพราะฉะนั้นเราก็พอใจสีเรื่องให้เรื่องสีนี้มันดีจริงๆนะอันนี้ก็อยู่ในผิวเหนียวการโกก็โกหกไปเที่ยแต่ยอมรับว่าตัวเอโกหกแค่นั้นเองน้องคำถามเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรไปการที่เราทําทานหรือการที่เราโกหกแต่ถ้าเรากําหนดรู้ในขณะนั้นมีค่าเท่ากัน ก็คือเราได้รู้ว่าเราวิบยมรับในสิ่งที่เราทําตรงนั้นโกหกก็ได้บาปทําทานก็ได้บุญกำหนดเรารู้ภาวะของเราขณะ โ, โกหกกับขณะทําไม่โกหกมันคนละขนาะแต่ทีนี้ผลรวมสุดท้ายแล้วบาปรึบบุญมันมากกว่ากันมันจะมีตัวน้ําหนักอยู่ถ้าบุญมากเข้าไปสู่เสวยสุขติแต่ทีนี้พระเจ้าบอกว่าคนที่ยังอยู่ในวิถีของโทษทาประกันหากมีพระจักรันไตรสมบูรณ์แล้วก็ไม่ เป็นไปเพื่อเสวยโทษนั้นในอบายภูมิก็จะรักษาไว้เหมือนกับโยนก้อนหินลงในแม่น้ำก้อนหินนั้นไม่จมแต่มีมเรือรองรับไว้สำคัญที่ต้องรู้กำหนดรู้ตัวเองยอมรับสิ่งที่ตัวเองไทำในขณะแต่ทำไปแล้วต้องยอมรับสิถ้าไม่ยอมรับก็ผิดไอการที่ไม่ยอมรับนี่คือผิดแต่การยอมรับจะถูก ผู้เจ้าบอกว่าพิสูจละเมิดโทษแล้วยอมรับโทษอันนั้นก็ค้นจากโทษนะเนี่ยมันก็มีวิธีออกอยู่งั้นผู้เจ้ากเสอนสอนให้เป็นคนหน้าไหวหลังหล่อก็ไม่ใช่มันคนละขนาดกันณะขนาดขนาดทำกับขณะหมดจากการทําแล้วก็แล้วกันไปนะไม่ใช่ทําขนาดนั้นแล้วมันจะมาเป็นตลอดอ่ะพวกนี้เนี่ยสังเกตวนะผู้เจ้าทรงตัดสัตตทิฏฐิอัตานุทิฏฐินี้ไว้นะเพื่อให้เราแยกประเด็นตรงนี้ให้ออก ตองแยกให้ออกนะหลักหลักคำสอนผู้เจ้าหลักแตกต่างจากหลักคําสอนของศาสนาอื่นนะศาสนาอื่นสอนเรื่องบาปก็จริงสอนเรื่องบุญก็จริงแต่แตกต่างจากพุทธศาสนาเขาสอนเรื่องศีลก็จริงแต่แตกต่างจากศีลในทางศาสนาใช่ไหมหล่ะที่เขาบอกว่าก็สมณะโกดมมาบัญญัติศีลก็ไม่แตกต่างจากศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขาพอบัญญัติศีลมันมามามาสอนทําไมเรื่องศีลแค่นี้ ก็ทำไมไม่ไปอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นเขเลยว่ามันญัติลัทธิตัวเองขึ้นมาทําไมเจ้าก็บอกศาสนาอื่นเขาสอนศีลยังไงนะ่ะเขาสอนกันว่าบุคคลผู้กระทํากรรมใดใดมากย่อมไปสู่อบายุภูมิกรรมนี้คือกรรมในปานาธิบาตอาธินนาทานการเมสศพิชาชาจารย์มุสาวาสสุลาเมระยักใช่ไหมละ่นะการทํากรรมใดใดมากย่อมไปสู่นรกทุกคติวิธีบาสนรกด้วยการกระทํานั้นพี่เจ้าก็บอกว่า ฉะนั้นแล้วบุคคลไม่ควรจะไปอบายภูมิสักคนเดียวอ๋อทำไมก็ขณะที่เขาฆ่ากับขณะที่เขาไม่ฆ่าขณะไหนมากกว่ากันไม่ฆ่ า, า, าในวันหนึ่งอา ย, ยุสี่ชั่วมงตอนที่เขาฆ่ากับตอนที่เขาไม่ฆ่ า, ต อ, า, าตอนไหนมากกว่ากันไม่ฆ่าใช่ไหมล่ะใช่ <c oughs> งั้น <c oughs> คนไม่ควรที่จะไปอบายภูมิแต่ทําไมคนได้ไปอบายภูมิหลักอยู่ล่ะทำไมเป็นเพราะอะไรเห็นไหมพระพุทธศาสนาบัญญัติสิ่งต่างๆเนี่ย คือเขาเข้าใจว่ากระทากรรมนั้นแล้วกรรมนั้นจะติดตัวไปทุกทุกขนาดคือเขาคิดโทษมีไหมมีพยายามไม่โทษอะมีแต่มันไม่ได้ว่ามันจะไปไปเป็นกรรมทุกทุขนาเพราะเขาถ้าเขาบอกว่าทำกรรมใดๆมากไหมมันมากอันที่ไม่ทำมันมากกว่าใช่ไหมมากกว่าอันที่ทาแต่ว่าอันที่ไม่ทำมากกว่าเขาก็ไม่ต้องไปนรกสักคน <laughs> ใช่เพราะเขาเป็นใจไปติดอยู่กับอันที่ทําเหมือนกับเนี่ยไปติดอยู่กับอันที่โกโกหกโโกหไปติดอยู่ทําไม้โกหกก็แล้วกันก็ไปสิโกหกก็โกหไปสิค้าขายอ่ะคือมองมองหลักคําสอนพระเจ้าออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญานะมันเป็นเรื่องของขนาดนนี่คือความสุดยอดของพระพุทธเจ้าอมีมีหลายเรื่องที่เป็นตัวอย่างแต่ผมชอบนาอะไรนะ ที่ว่านรกหนึงตัวเลยอ๋อนางเลว่าดีนางเลวดีคือก็รูว่าผัวทำทำบุญนาทียะผัวทำบุญกับพระอรหันตพระพระพระพุทธเจ้าเบ่อยๆมากผมว่านี่ก็บุน่นแหละแต่ก็ทำนั่นแหละอันนี้สุดท้ายเลยทนไม่ไหวนรกเปิดความออกก็เลยดึงนางเนี้ยลงไปเลยนางนี้ไปอ่ะต่อไปว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วในนรกบอกว่าไม่มีเวลาแล้วบาปกรรมเยอะอย่าง เยอะเกินไปละลงนรกซะดีกว่าถึงจะออกไปว่าค่าจะกลับไปได้จากกบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสัญญาสัญญามันไม่ได้ละหมดแล้วหมดเวลาเถอแล้วะลงนั้นรงเถอะเพราะวิถีอย่างนั้นมันไม่ได้มีมูลเหตุเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เป็นกุศลไงเป็นการสะวยผลแล้วมูลเหตุคือขณะที่เป็นเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนเหตุ ส่วนการลับจากมนุษย์ไปแล้วคือส่วนผลคือการสกเสวยที่บ่าจะไปเปลี่ยนอะไรตอนนั้นยากมากก็จะมีตัวอย่างตัวอย่างนึงคือว่ามีหูมิยาหัว่าถ่าตัดบ่อยๆเยอะๆทุกวันทุกวันปรากฏว่าอกาอการรอดแล้วพระผ่านไปรดีเนียบอกจะใส่บาตไหมไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ, มไม่ทำบุญหรอกไ ม, ม่ทาบุญหรอกไป เ, อ <S <S เอถอะเชิญพระคุณเจ้าไปข้างหน้า ไ, ไป เราไม่ทำอยู่แล้วเพราะเราไม่นับถือาศาสนาพุทธรเราไม่นับถือสมณะค ร, ครไปพระบอกว่าเราไม่มาบินาบาตใช่ไหมหละ่ะเราไม่ได้มาบินาบาตเราทํามาทํำไมก็มาเยี่ยมอาการไข้ของท่านไอไน้นายพานเหลยโอ้โหขนาดขนาดสมณะที่ไม่รู้จักเรายังรู้จักมาเยี่ยมเรายังให้เกียรติเราถึงเพียงนี้แล้วก็เชิญท่านประมาทเถอะพอเชิญขึ้นมาก็ก็บอกให้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสมใช่ไหมครับ ก็เพียงขนาดจิตนั้นก็ดับภาพก่อไปสู่สุคติเราได้แค่สองข้อดับไปเป็นเป็นเทวบุตร้วลึกถึงได้ว่า เ, เรามาจากไหนโ อ, อันนี้ค่าตัดอันนี้ทิศเราิ้ง<ๆ><ๆ>เราไปได้สมบัติแห่งความเป็นเทียมได้อย่างไอย่างไงหล่ะลืมได้เนาะอ๋อภาษาดิบุตรนี่มาให้มาให้เรามาให้เร า, า, เร า, ล, าลึกถึงพระร า, น า, าชนไตครับแล้วกําลังจะให้ศีลแต่เรารับศีลยังไดไม่หมดศีลหา้ายังไม่ครบ<ๆ>ไง โอ้โหเสียดายมากเลยถ้าศีลห้าได้พบป่า น, นี้เราอยู่ดาววดึงแล้วอันนี้ได้แค่จาตุ้มนะเสียดายมากเลยมันมันมันจะมาศสียดายดหาอะไรก่อนนี้วะก็ตอนนั้นดันไม่สนใจงไงใช่ค ร, นะเราเอาละมั้งพอแล้วพ <ๆ S 1> อแล้วตอนนี้พอสมควรเก่เวลานะเอวังขอ มีความสุขความเจริญเนอร์อยากยินดีทุกท่านที่รับชมรับฟังวันนี้อาจจะมีประเด็นพูดที่เป็นไปในหลายแง่มุมที่ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยหรือหรื อ, รอไม่ไม่เข้าหูบางคนก็ขออไปอนะอ <laughs> ันนี้ทให้คนมีกำลังใจในการในการประกอบอาชีพแล้วก็ภาวนานะค่ะ <laughs> อาจารย์ครับเพราว่านะพอ